บอกระเบียบในการสวดมนต์ด้วยกนการออกเสียงนั้นเราจะต้องออกเสียงให้ได้ทีฆะรสัะทีฆะคือเสียงยาวรัสะเสียงสั้นสระเสียงยาวประกอบไปด้วยพยัญชนะเป็นอย่างอาอีอ e ูเอโอสระเสียงยาว เียว่าเสียงยาวๆ ย, ยาวพอดีพอดีไม่ใช่ยาวจนยานนะสระเสียงสั้นอ e. ีอุสระอังสระเออย่างเงี้ยออกเสียงสั้นๆอ่ะอะเป็นอาก็ผิดอาเป็นอะก็ผิดเป็นวิบัติเขาเรียกว่าอัครวิบัติแล้วก็พยายามออกเสียงให้ไพเราะให้กลมกลอมให้กลมกลืนกัน อ, ออกเสียงให้ให้ดังไฟเลาะออกเสียงให้พอดีพอดีของใครของเราไม่ใช่อมอมอ้มแอมแมไม่มีเสียงออกมา <c oughs> ให้จําไว้นะที่คารัศดะต้องมีพยัญชนะที่ประกอบด้วยสร ะ, สระเสียงสั้น a i e u เรือว่าเร็วเร็วสระที่พยัญชนะที่ประกอบด้วยสระเสียงยาว สระอาสระอีสระอูสระเอสระโออาอีอูเอโอว่ายยาวๆยาวพอดีพอดียาวเกินไปก็ยานไม่ไพเราะคนที่ฝึกซ้อมมาแล้วรู้รู้เข้าใจคนที่ไม่เคยฝึกซ้อมมาเนี่ย เสียงมันไม่เข้าคำเสียงยาวเป็นสั้นเสียงสั้นเป็นยาวบางคนก็ยาวสะาะเกิดยาวเสะาะเกิดยาวยา ว, ยาวหมดมันเลยมันเลยมันลากกั น, นลากกันตีกันเปิดมาหน้าแปดนะเนี่ยหนังสือเล่มเล็กทําเต่าเนี่ยเปิดดูหน้าแปดทำวัดเย็นแล้วก็ว่าตามนี้รวดเลยไปจนจบ เวลาสวดมนต์สี่สิบนาทีบางคนไม่เคยสวดก็ได้สวด น, นะสวดมนต์นี้มีผลมีอนิสงส์ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีสนไม่มีผลไม่มีอนิสงส์สวดมนต์มีผลมีอนิสงส์พยายามไปฝึกหัดสวดเอาไว้เพราะในคำสวดมีแต่บทธรรมะทั้งนั้น เรามาดูคำแปลกขแล้วกันเป็นคำของภาษาพจเป็นคำของพระพุทธเจ้าที่เอามาเขียนไว้จดจารึกไว้พวกเรามาสวดอย่างทาวัดเช้าทาวัดเย็นเนี่ย <c oughs> ที่รวบรวมมาสักนะพวกเราสวดตามนั้นอะ่ะมันเป็นบทประพันธ์บทพระรทินิพนธ์ของออรัชกาลที่สี่นะ เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่4ทั้งแต่สมัยท่านทร ง, งเป็นบวชเป็นพระภิกษุอยู่ถึง2 7่พรรษานะไม่ใช่น้อ ย, น, อยนะรัชการที่สี่เนี่ยพระองค์ทรงแตกฉานเกี่ยวกับพระบาลีแตกฉานมากแต่งคำฉันคำกลอนคำโครงคำคาถาอะไรอะไรท่านแตกได้คล่องเป็นคาถานะเป็นอินทราวิเชียนนะอย่างที่เราสวนเมื่อกี้เนะี่ย ญาณีทัพุทานิสมาคาตาณิผพ ม, มานิวายานิวานตาลีเขมถ้าเรารู้จักส่วนหนี่งมันจะตกวักตกตอนของมันไพเราะแต่ถ้ารําไม่รู้จักเราก็ว่าไปมันไม่ไม่ลงกันมันสัมผัสมันมีสัมผัสนอกสัมผัสในของมันอยู่อ่ามันมีสัมผัสนอกสัมผัสในของมันอยู่อืม ธรรมะเช้าก็ตามธรรมะเย็นก็ตามที่ ร, รับสวดบทเป็นบทประพันธ์ของรัชกาลที่สี่ทรงแต่งทรงเที่ยวเพียงทรงประพันธ์ไปเยอะแล้วก็แต่งเก่งภาภาษาบาลีด้วยไม่ว่าจะเป็นนักบาลีรุ่นไหนรุ่นไหนของประเทศไทยแม้แต่นักบาลีที่ศรีลังกาก็ยังชมพระองค์อพระองค์พินิจฉัยอะไรอะไรมากมายเยอะๆเขียนเป็นภาษาบาลี จนชาวศรีลังกาเขารับรองศรีลังกาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนะเราไปรับระศาสนามาจากเขานะที่ศรีลังกาเนี่ยศาสนาพุทธในเมืองไทยเอามาจากไหนรับมาจากศรีลังกาประเทศศรีลังกามันอยู่ติดอินเดียตอนใต้พระยนาการเผยแผ่มหินทักโคมานเขาไปแผ่เลยไหมสมัยส่งราชทูตสมัยส่งทูตไปประกาศศาสนาพระยโศกเนี่ยทรงหินทักคมาน สั่งสังขมิทาภิสุณีซึ่งเป็นพระโอรสพระธิดาของพระองค์ไปประกาศพระศาสนาสมัยเราไปศรีลังกาเราขึ้นได้ขึ้นไปดูมหินทะเลมหินทะเลเขาบอกมาหินทะเลทะเลคือก้อนหินก้อนหินที่พระมหินท่านไปอยู่บําเพ็ญมันเป็นก้อนหินที่เป็นเงื้อกเป็นเงือบข้างล่างเข้าไปสกัดเป็นเหมือนกับรอยเหมือนกับเป็นแท่นศาสาน่นะ มาหินทะเลมาหินทะเลเวมแรกประเทศไทยไ ป, ไปรับพระพุทธศาสนามาจากศรีลังกาอยู่มาอยู่มาอยู่ ม, มยียุคหนึ่งสมัยหนึ่งศรีลังกาเสื่อมขาดพระมีแต่บวชเนรมีแต่เนนไม่มีบวชพระศรีลังกากเลยมารับพระพุทธศาสนาไปจากประเทศไทยจนได้ชื่อว่าสยามวองสยามวงยังน้ารองอยู่จนทุกวันเนี้สยามวง มีพระอุบาลีคุณุปมาจารยุคนั้นในสมัยนั้นไปประกาศไปเผยแผร่ในในประเทศประเทศสีลังกายังมีมาจนทุกวันเนี่ยสยามบงสยามบงต่างคนต่างเสือเส่อมกัมนไปเสื่อมกันมาเสื่อมกันไปเสื่อมกันมาสาเหตุที่ทําให้าศาสนาเสื่อมก็คือลัทธิการปกครองบ้านเมืองนี่เป็นเหตุให้าศาสนาเสื่อม เมื่อก่อนนั้นศา ส, สนาพุทของเราเจริญอยู่ที่ประเทศอินเดียเจริญมากมาวิทยาลัยนานลันทาไปดูซะพอคนที่เขาเป็นใหญ่เขาไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธนะเขาเผาชีพหายวายวอดหมดประเทศไหนก็ตามประเทศที่ศีรษะรงกามันมียุคหนึ่งคริสเป็นใหญ่ผู้ปกครองประเทศนับถือศาสนาคริส โอ้ยเขาพยายามเบียดเบียนทุกอย่างเลยตอนนั้นห้ามประกอบศาสนกิจห้ามพระสงฆ์ห้ามมุบาสิกาห้ามประกอบศาสนกิจถ้าเป็นจัดอบรมธรรมะแบบพวกเราอย่างงี้ทําไม่ได้มีระเบียบมีวินัยกำกับดูแลมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองห้ามห้ามทำบุญห้ามใส่บาศห้ามอะไรอะไรหมดนะเขาถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นนะที่ศรีลังกานะเราไม่ต้องาไม่ต้องพูดถึงเฉพาะอินเดียที่ศรีลังกาเคยเป็น ทีละการแต่ปรากฏว่าตอนนั้นมีพระองค์หนึ่งท่านเก่งมากท่านแก้ได้ท่านรอบรู้เตกชานทั้งศาสนาของตัวเองรอบรู้แตกชานทั้งศาสนาฝ่ายตรงกันข้ามท้าโต้วาทะกันเก่งนะเขายอมรับท้าโต้วาทะโตวาทะก็ยังตั้งแต่ธรรมะลึกๆ ไ, ไปจนถึงธรรมะตื่นๆไปจนถึงธรรมะลึกๆถึงแก่นแท้ของธรรมะที่แท้จริง ก็ธรรของพระริจเจ้าทุกบททุกบานันมีหลักสัจธรรมเป็นแกนเป็นแกนนําเป็นแกนกลางแต่ของเขามีแต่จริยธรรมข้างนอกแก่นแท้ๆของสัจธรรมไม่มีแต่ของเรามีสัจธรรมอนนี้จางทุกคั้งหน้าตานี่แหละคือหลักสัจธรรมแต่ของเขานั้เขามีแต่จริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมก็บัญญัติขึ้นมาที่มาปกครองมาดูแลมาบอกมากล่าบมาสอนมาอะไรต่ออะไรกันให้อยู่ในระบบในระเบียบ จอย่างระเบียบที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับควบคุมให้หมู่พวกของเรานอยู่ในระเบียบเพื่อความดีงามเพื่อความสวยงามนี่นี่คือจริยธรรม mm hmm. เวลาไปตอบโต้กันนะี่ยยังถึงหลักทำลึกก็ไปแล้วลึกก็ไปลึกลึกก็ไปแล้วลึกก็ไม่มีอะไรตอบมันละสู้เราไม่ได้สู้ศาสนาพูดไม่ได้ศาสนาพูดทุกบททุกบาเนี่เป็นหลักสัจธรรมทั้งนั้นไม่มีคู่ขึ้นมาอลอยๆไม่มีฉันพูดขึ้นมาแล้วมีหลัก มีเขาเรียกว่ามีสภาวะธรรมรองรับมีสภาวะธรรมรองรับ <c oughs> เราฟังเสียงเอากันแล้วกันหลวงพ่อไม่ได้พลิกหันเออพูดยังไงพูดหันหลังให้วะนะ <c oughs> <c oughs> เอาเสียงเป็นสำคัญ กราบราก่อนเลิกค่อยกราบก็ได้ตอนนี้เรายังไม่จบเรายังเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงนชั่วโมงอชั่วโมงเหลือเวลาชั่วโมง10มนาทีน ะ, อ, ะอย่าเราโอ้โอกน ะ, ะมีใครแอบร้องไห้บ้างมีหมมีใครแอบร้องไห้บ้าง ร้องให้เห็นข้อปฏิบัติเห็นคุณงามความดีเห็นความสงบเยือกเยน็นเห็นความสุขในหัวใจของตัวเองเต็มตื้นขึ้นมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ร้องให้หาพ่อหาแม่ไม่ใช่ร้องให้เจ็บปวดทนทรมานแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ร้องให้หาพ่อหาแม่ไม่ใช่ อันนี้มันถึงกัษตารุณไม่ถึงกัษตรมรมานครูบาอาจารย์ท่านนั่งทิ้งเลยนะนั่งนั้งแด่หัวขํายังไม่หมืดจนสว่างพระที่ขึ้นใหม่นั่งทิ้งไปเลยพวกเรานั่งแค่ครึ่งชั่วโมงนั่งแค่หนึ่งชั่วโมงนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงพวกเราก็ศสบซากศสบซากสบซากศบซาก ขันติบารมีมีอยู่วิริยะบารมีมีอยู่อธิษฐานบารมีตั้งความปรารถนาขอยจิตของข้าพเจ้าได้รับความสงบสงัดได้รับความรอบรู้ได้รับสติได้รับปัญญามีอยู่เราอย่าทิงา้งมาทำพุรรมพันตั้งความปรารถนาให้สําเร็จผลให้สําเร็จผลตามที่ข้าพเจ้ามุ่งมา่ปรารถนา แม้แต่พระศาสดาของเราพุทธเจ้าของเราถ้ า, าพระองค์ไม่ตั้งความปรารถนาชนไหนเลยพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงจะชิ้นระยะเวลาที่รวดช้านานขนาดไหนก็ตามก็เต็มตื้นขึ้นมาได้เราดูที่พระปรีชาสามารถความอดความทนของพระองค์แข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชร พูดถึงทานทานของพื้นพื้นของมีคุณค่ามากน้อยเท่าไหร่ให้ยจนหมดทานจนหมดของนอกกายให้จนหมดเราไปดูยุคชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรเนี่ยชาลีกันหาก็ให้เป็นทานมัดซีภรรยาแล้วก็ให้เป็นทานพวกเราทําได้ไหมให้เมียเป็นทานคนอื่นเอาไปเอาไปให้ได้ไหมลูกให้เป็นทานคนอื่นได้ให้ได้ไหมอะไรมันจะรัก หนึงหัวใจของพ่อของแม่เท่ากับลูกเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพ่อของแม่ให้ไปได้เลยไม่ใช่ว่าพวกจะไม่รักชาลีไม่ใช่ว่าจะไม่รักคันหาไม่ใช่ว่าจะไม่รักมัดสีมาเหสีภรรยาเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่รักแต่พระโพธิยารักยิ่งกว่าเราฟังดูที่เราเอาหัวใจของพวกเราไปใส่ไม่ได้หรอกโอ้ย ปริสันต์นหดร้ายารุุให้ลูกให้เมียเป็นทานหัวใจเราของหัวใจท่านนั่นเหมือนกันไม่เหมือนกันพวกเราบางคนไม่อยากไม่กล้าให้ทานด้วยซ้ำไปเสียดายบางคนพวกเรานะี่ยบางทีนับถื อ, อยุศศาสนาพุทธไม่กล้าให้ทานเสียดายบางคนไม่ตั้งใจไม่เจตนาที่จะรักษาศีลกลัวเสียเปรียบเคยได้เปรียบข้อสามเนี่ยศีลห้าเนี่ย ข้อหเว้นค่าสัตว์เว้นรักทรัพย์ข้อสองข้อสาเว้นประพฤติผิดสามีภรรยาเราไม่กลา้าไม่กลา้ารักษากลัวเสียเปรียบเพราะมันเคยไปเอาเปรียบคนอื่นฟังรู้ให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ดีอันนี้คือไฟกองหนึ่งไฟดุ่นหนึ่งที่คนชอบเอามาเผาตัวเองไม่เรามาระวังเรื่องเหล่านี้เนี่ยถูกเผาทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเรา ก็ต้องเป็นเราเพราะเราทำเองเราไม่สํารวมเราไม่ระมัดระวังเราก็ต้องเจอเองเราที่ต้องประสบพบเห็นเองนี่เป็นเรื่องธรรมดามให้ของนอกกายสามีภรรยาไอ้ลูกเต้าสภรรยาเป็นของนอกกายยังไม่พอเป็นได้แค่บารมีให้อวัยวะเป็นทานเป็นอุ ป, ปบารมี ให้ชีวิตเป็นทานเป็นปรัมัทธพรมีนี่ริยาทำได้หมดเรามาคิดดูอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ยพระองค์ทำความป้องกันไว้หมดด้วยบุญญาบารมีไปไลด่ดูบารมีทั้ง10รวมเป็น30 30ท่านเนี่ยทานบารมีสิทานอุปบารมีสิบ ทานปรมัติบา ร, รมีอย่างละสามอย่างละสามสาเป็น 30. สาิบศีลก็เช่นเดียวกันปัญญาเนเขมะเนเขมะคือการออกบวชการออกบวชได้เปรียบหมดทุกทุกๆบา ร, รมีเราถือบา ร, รมีนุน้นถือบา ร, รมีนี้อย่างยิ่งยวดแต่ถ้าเราไม่ออกบวชเราขาดเนเขมะบา ร, รมี อย่าลืมว่าเน่คัมมบารมีนี่ให้โอกาสกับเราเมือนอย่งพวเราบวชชีพราหมณ์บางทีเขาเรียกว่าบวชเน่คมมาเน่คัมมาแม้แต่รำโอกรองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบวชเพราะศินแปนะ่ยถือว่าเป็นสินพรหมจันท์สามารถสมาทานเป็นบวชได้สมาทานถือได้เวลาเขาไปตั้งใจบวชจริ ง, รงเอซ่างพันเต สุยรียริระปรณีบทตามปีนี่เขาเขาไปขอบวชเหมือนขอบวชพระเหมือนขอบวชนเลยแหละขอบวชมันสามารถทําได้เพราะเป็นศีลของพรหมจันทร์การบวชตั้งแต่ศีลท่าตั้งแต่ศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่บ็ดศีลสามรอสิบเอ็ดมันเป็นเรื่องของพรหมจัรร์ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของพรหมจันทร์พระหมจันทร์แปลว่า ประพฤติไม่จกไม่ผิดไปจากจริยธรรมจริยาของพรหมไม่ประพฤติให้ผิดไปจากหลักของพรหมสินห้าสิลนแปดสิ้นสองรอยีิบเ็ดนี้เราพูดถึงบุญญาธิการของพระพุทธเจ้ารอนกันนะะอา้าวๆอยู่เนาะมันตกจบ ก็รู้สึกอ้าวๆอยู่ไม่มีลมนั่งไปภาวนาไปอย่างไงเวลาอีกเยอะเป็นของเรา ก็เห็นคอแหบๆมากแล้วเอามาให้นี่อ่าเห็นคอแห้งๆคอแห้งๆเอามาให้โอ้แกไออันนี้แกไอมี อ, อะไรบ้างเยอะๆเลย ไอ้ไม่เคยเห็นเลยเราไอแคกแคกยามก็เลยมายาย า, ยามันเห็นไอแคกแคกยามก็เลยมาเ <c oughs> มื่อกี้เราเริ่มต้น้วยการพูดถึงการสวดมนต์ หลวงปู่มั่นท่านปรานาไว้มีหนังสือพิมพ์ที่วัดหลวงปู่มั่นนั่นแหละมีอยบ่บนหนึ่งพูดว่าหลวงปู่มั่นท่านพูดเอาไว้ว่าการสวดมดนต์นี้มีอนุภาพมีอนุภาพแผ่ไปออกเสียงปกติธรรมดาธรรมดานะ ไปรอยอดออกเสียงดังๆหน่อยร้อแสนโกรธจั ก, กรวาลหมื่นจั ก, กรวาลออกเสียงเริดังขึ้นมาโกรธจักรวาลออกเสียงตั้งอกตั้งใจสวดจริงๆออกเรี้ยวแรงจริง ๆ, ๆนี่ยอนุภาพแผ่ไปแสนโกรธจั ก, กรวาลนท่านพูดเอาไว้ อนุภาพแผ่ไปอนุภาพของธรรมะเราไม่ได้เรียนธรรมะเจาะธรรมะเข้าถึงธรรมะที่เรียนลึกซึ้งเนี่ยคําว่าอนุภาพเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงธรรมธรรมดีจริงท่านมีอนุภาพท่านแผ่ไปได้นะแผ่ไปได้นู่นถึงยมโลกน่ะน่ะสัตวนรกทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านแผ่ไปเนี่ยธรรมะเด็ด รับความชุ่มเย็นรักจากความเร้าร้อนเป็นการเป็นคราวน ะ, ะผู้ที่ท่านมีธรรมจริงๆแผ่ไปได้นยุคสมัยนั้นก็มีพระโมคคัลลา น, นนะเวลาท่านไปลงไปนรกนะี่ยไฟนรกดับหมดแผ่อนุภาพไปพอมายุคสมัยหลังมาเนะี่ยมีพระมาลายเราเคยได้ยินไหมพระมาลายเวลาท่านไปนรกเนะี่ยไฟนรกนะดับหมด อนุภาพของธรรมะของท่านไปครอบคลุมไปปกไปแผ่ทําให้สัรวนรกเหล่านั้น ห, หายความเร่าร้อนหายทุกข์หายโศกเป็นการเป็นคราวพอท่านกลับคืนมาก็กรรมก็เล่นงานอีก่แล้วเพราะกรรมของใครของเราเนี่ยกรรมของสัตว์เหล่านั้นมันเล่นงานมีเรื่องของกรรมมีอนุภาพเพราะฉะนั้นพวกเราจึงพยายามสวดขยันสวดกันการสวดมันก็เป็นการท่องการจํา การที่เราภาณนาตามคําสวดนั่นน่ะมันเป็นระเบียบไม่เหมือนเรานึกเราคิดนะเรานึกเราคิดสเปะสปะไปตามเรื่องมนุษย์คิดนึกเรื่องอะไรเรื่องราคะตัณหาความโลภความโกรธอิจฉาริษยานึกเครียดแค้นพยาบาทอะไรต่ออะไรสรพัดมันพ า, นนพ า, นพานคิดว้าวุ่นขุนมัวเนี่นะไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตแต่อันนี้ เราศึกษาตามที่ท่านเรียบเรียงไว้นอกไม่ได้นอกระเบียบไม่ได้นอกคําพูดไม่ได้และระเบียบคําพูดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแตเป็นธรรมเป็นหลักธรรมะทั้งนั้นเรามาอ่านดูซิภาษาบาลีต้องแปลเป็นภาษาไทยเป็นธรรมะทั้งนั้นะกรรมสโกมิหกรรมดายาโดกรรมยนิกกรรมบันโธกรรมปฏิสารโนสารนาเนี่ย มีกรรมเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมดีไว้หรือทำกรรมชั่วไว้ตัดสดายาโดภวิซามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนพูดถึงเรื่องกรรมรอบบ่ายเราก็พูดถึงเรื่องกรรมเรื่องวิบากของกรรม เราพูดถึงกิเลสมันไม่ใช่เกิดจากอะไรมันเกิดจากผลของกรรมความโลภความโกรธราคะตัณหาความลุม่มหลงมันไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากแรงสังสมซึ่งเป็นวิบากกรรมของเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรนี่ตั้งแต่เมื่อเช้าเราพูดมาให้ฟังให้ได้ยินใด้ฟังเป็นหลักของธรรมเป็นหลักของกรรม หลักของกรรมกับหลักของเหตุของผลนี่ไปด้วยกันอริจังทุกขังอนัตตาคือผลิตผลของกรรมผลิตผลของเหตุผลเหตุอันหนึ่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปทุกขังเป็นเหตุแห่งอนิจังทั้งอริจังทั้งทุกขังเป็นเหตุแห่งอนัตตาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นนะเือของกรรม น, นี้จังทุกขังอนันตามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่กองสังขารของเรากองสังขารกายร่างกายไปอยู่เท่าเดิมไหมร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันอยู่เท่าเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนไปอยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นทุกครั้งเปลี่ยนไปเป็นอันนีจังมีใครไปดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าบัณฑมากี่พระองค์ มีพระองค์นายากดัดแปลงได้ไม่มีพระองค์นายดัดแปลงได้เพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพวกเรามันหลงกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่แหละแต่พระองค์พระสงฆสาวกพระยาสาวกทั้งหลายท่านไม่หลงพวกเราหลงนิจจังทุกขังนัตตาหลงอยากให้เป็นสุขขังหลงใหหลงอยากให้เป็นนิจจังหลงหลงอยากให้เป็นอัตตาอย่างยึดเอาไว้ อัตตาอัตตาอัตตาอัตตาพ่อเราแม่เราพัวเราเมียเร า, เ ร, าร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กำลังงามผิวพรรณผุดผ่องพอันผิดไปจากที่เราเห็นด้วยความชอบใจแใป๊บทุกข์เข้ามาผิดไปจากที่เราหมายเอาไว้แป๊บทุกข์เข้ามามันเป็นเรื่องของธรรมะเท้งนั้นที่เราควรจะได้ยินได้ฟังในศึกษา แต่จะศึกษาหเห็นให้ได้ยินได้ฟัง ใ, ใ, ให้ให้กดได้เกณฑ์อย่างจริงจังได้นั้นจะต้องไม่ทิ้งหลักสมถะไม่สิ้งหลักวิปัสนาเพราะนี้เป็นอุบายเป็นวิธีตั้งแต่หยับหยาไปถึงละเอียดดูจนเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างเจ่มแจ้งชัดเจนเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ รอบรู้ชัดเจนเกี่ยวกับสังขารกายของเราสังขารใจของเราสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขารร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างดินน้ำลมไฟมันารู้ทั้งกี่อย่างแั้วมรู้ธาตุใดตัอะไรบ้างอยู่ในกายของเราไปไล่ดูตามหลักวิทยาศาสตร์เขพูดถึงธาตุอะไรตัวอะไรบ้างเต็มไปหมดแต่ในหลักผู้ธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสิ่งที่แข็งแขงท่านบอกว่าธาตุดิน สิ่งที่เอาอบ า, าบซึมซาบเพราะเทรงตรัสว่าธาตุน้ําสิ่งที่อุ่นๆ ร, ร้อนๆเนี่ยท่านว่าธาตุไฟหายใจเข้าหายใจออกทั้นว่าธาตุลมร่างกายของเรานี่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเทียบไฟที่น้ําลมไฟข้างในแล้วก็เทียบไปที่ดินน้ําลมไฟข้างนอ ก, ข, นอ ก, กข้างนอกก็มีข้างในก็มีแต่ข้างนอกเป็นไฟดินน้ําลมไฟของธรรมชาติ ที่มันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นใครสร้างมันใครทํามันไม่มีมันเป็นธรรมชาติที่มันมีมันเป็นอยู่ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าความมีความเป็นของมันเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ใครไปสร้างใครไปทํามันก็คือเหตุผลของกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่มีใครสร้างศา ส, สนาอื่นเขาก็สวมรอยแหละอันนั้นสร้างอันนี้สร้า ง, อ, นนางอันนั้นทำอันนี้ทำเขาสวมรอยเอา สวมรอยอาสวมรอยยดเอาสวม่อยเรียเอาสวมรอยถือเอาเวลาไล่เข้าไปจริงๆแล้วใครสร้างไม่มีใครสร้างเหตุผลธรรมชาติมาสร้างร่างกายอนิจจังตุกขังน้ําตากล่อสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปทั้งเรื่อก่อสังขารก่อสังขารของกเราเนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมของใครของเรา สังขารเราแต่ละกองแต่ละกองท่านเรียกว่ากองทุกกองทุกเวลาย้อนเข้าไปจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตามหลักอริยสัจสี่ท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยแต่ลองไล่ดูสิเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกคืออะไรก็คือตัณหาใช่ไหม ตัณหามันละเอียดการมีตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในใจของพ่อของแม่ถ้าท่านไม่มีตัณหาท่านไม่มีการเจริญพันธุ์หรอกจนเป็นเหตุให้น้ําดินน้ําลมไฟของพ่อของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่ไม่มีท่านไม่ได้ทําการเจริญพันธุ์เรื่องอะไรน้ําดินน้ําลมไฟเหล่านี้จะจะต้องไปประกอบในท้องแม่ไม่มีเพราะเหตุทัอยากท่านไครในใจของท่านะคือตัณหาในใจเนี่ย กองทุกย้อนไปล้วจะเห็นสมุทยัยกองทุกย้อนไปเห็นสมุทยัยตามหลังอริยสัจสีที่เขาพูดเอาไว้ลองย้อนเข้าไปดสูสิจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้แต่ต้องมีจังหวะที่ดีที่เหมาะบางคนแสดงไปแล้วก็ไม่ติดก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เกิดได้ติดได้มีได้เปลี่ยนได้ เพราะเวลนั้นมันติดปั๊บเกิดขึ้นจากสมุทยัยคือตันหาในใจของพ่อของแม่ทําให้เกิดน้ําใ ส, ใ, สในท้องแม่หัวใจของพวกเราก็มีตันหาด้วยเราก็ไปเที่ยวจับจองใครสมควรจะเป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็ไปเที่ยวจับจองที่สวัสดิว่าลงถือปฏิสนธิมันหาเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มันเกิดมันเป็นมันมีไม่ใช่เลือกเอาได้ได้ตามบุญตามกรรมครวมะบุญกรรม มันก็ไปเกิดด้วยกันได้คาว่า บ, บาปกรรมมันก็ไปเกิดด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าจะมีคนมีบุญเทียบเท่าพ่อเท่าแม่แล้วเราไปเกิดได้คนที่มีบาปกรรมมีเบนมีภัยกรมมกรมก็ไปเกิดได้เกิดเพื่อสนองกรรมกันก็ได้เน่จิตใจของเรามีตัณหาเราก็ไปเทียทเท่ยวจับจองทำไมถึงเที่ยวจับจองทำไมไม่หลุดไม่พ้นไปพ้นไปมาได้ใจมันยังยึดยังติดอยู่ ยังมีเหตุปัจจัยที่จะทําทให้เกิดอัตภาพร่างกายอีกอืแต่ก็ดีที่ว่ามาบัดเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดในท้องแม่ไปเกิดในท้องคนอื่นก็ไม่ได้สัตว์อื่นก็ไม่ได้ต้องเกิดในท้องมนุษย์เราไปเกิดในท้องมนุษย์คนไหนมนุษย์คนนั้นแหละเป็นแม่ของเราใครเป็นผู้เจริญพันธุ์จนเป็นเหตุให้เกิดก้อนน้ําน้ําใสๆไปอุบัติในท้องแม่คนนั้นแหละเป็นพ่อเรา นี่คือพ่อนี่คือแม่เพราะงั้นพ่อกับแม่จึงมีความผูกพันมาถึงเราพวกเราไม่ได้เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไม่มีใครเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่เรามีแต่จิตกับกรรมไปจับจองในท้องแม่กลายเป็นกองสังขารอะไรบ้างกลายเป็นรูปธรรมกลายเป็นนามธรรมานี่สิ่งไปรวมสิ่งไปปรุงสิ่งไปประกอบกันที่เรียกว่ากองสังขารกองสังขาร ทุกๆกองสังขารจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกๆ ก, กองสังขารจะไม่อยู่เท่าเดิมเพราะกองสังขารกองแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองเหล่านั้นตัวมันเองมันตั้งตนเป็นเหตุนำไปสู่ผลตั้งตนเป็นผลนำไปสู่เหตุตั้งตนเป็นเหตุนำไปสู่ผลผลนำไปสู่เหตุเห ต, ต, ต, ต хот, ุนำไปสู่ผ ล, ลทีบตัวเองบีบคั้นตัวเองอยู่อย่างนั้นทุกระยะทุกเวลาเราพิจารณาลองดูซิ เพราะฉะนั้นจึงมีอนิจจังจึงมีทุกขังเป็นภาวะของอนัตตาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดจะเราจะรู้เข้าใจแจ่มแจ้งได้โดยการตั้งใจปฏิบัติจรรยสมถะจรรย์วิปัสสนาไม่งั้นเราจะเข้าใจยากเราจะรู้ทั่วถึงยากตั้งใจฟังนะทำไมถ้าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยสติสมิชนญะริปรีริปรีริบดินมอดไปแล้วแล่ะ มดเพราะรากไม่เพราะนั้นระวังให้ดีนะฟังให้ดีอยู่ใกล้ใครบอกด้วยนะ <c oughs> อยู่ใกล้ใครบอกด้วยฝ <c oughs> ่ายใจของเราเวลาเราต้องการให้เขาสงบเนี่ยเวลาเราเริ่มสงบมามันสบาย <c oughs> เพิ่หลับ <c oughs> สบา ย, <c oughs> ส, บาย <c oughs> สบายจนหลับมันสบายจนหลับ <c oughs> มีความสําคัญอย่างนะ เพื่อจะภาวนาให้มีบุตรบริกรรมในใจของเราจะปล่อยปลอยไม่ได้ถ้าเราปล่อยคำบริกรรมเรายึดธรรมะที่เป็นอัดเป็นธรรมที่พูดออกไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาธรรมไปในขณะเดียวกันนะบอกด้วย หาไม่ต้องสนใจใครแล้วนั่งหลับตาภาวนาเรานั่งหลับตาภาวนาฟังไปเรื่อยๆหลวงพ่อจะพูดไปเรื่อยๆเรามีเวลาเยอะนั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งหลวงพ่อก็จะพาภาวนาไปแต่เพดานเราสูงหน่อยนะสี่ทุ่มนะ ตอนนี้สองทุ่มสิบวันทีสาทุ่ส ม, มสี่ทุ่มเล็กน้อยเองถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำถ้าเรามุ่งมั่นที่ตั้งใจจะฝึกฝนอบรมมันสำหรับมาราธอนยืดยาว สำหรับผูท้ที่ตั้งใจไม่ถึงคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจเอาให้ได้เท่าไรเท่ากันเอาให้ได้ทำใจให้เป็นใหญ่เลยแค่นี้เล็กน้อยเองเหมือนอย่างเราตั้งใจจะอยู่ในสัจฉิทั้งคืนเนี่ยด้วยเหตุที่เราใจใหญ่เราตั้งขึ้นมาไม่สว่างแลวจะไม่เลิกเด็ดขาดเนี่ย โดยที่เราตั mm ้งใจโร่ข <odes> oh! ึ้นมาอำนาจของใจเลยมันเห็นเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะแต่ทางกล้ากล้ากลัวกลัวกัวกล้ากล้าหดหดยืดยืดอยู่นั่นแ่ะโอ๊ยไม่ถึงไหนดอกเป็นัางสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปแล้วแหละมันลากไปหาหมอนละใจจึงเป็นเรื่องใหญ่จรงเป็นเรื่องสำคัญจะลืมบอกแล้วกิเลสมันเกิดจากใจเกิดจากพฤติกรรมที่เร็วๆของใจของเราเอง ทำไมจะพูดได้ตร ง, ตรงชัดๆทำไมจึงว่าพฤติกรรมที่เร็วๆก็เพราะมันนำทุกน้ำโทษมาให้เราทำเองทุกเองถ้าจะว่าไปแล้วน่เราฉลาดหรือเราไม่ฉลาดเราฉลาดหรือเราโง่ทำไมเราต้องมานั่งได้รับความทุกข์ของทุกข์จากการที่เราสร้างเราทำเอาเองเราฉลาดหรือเราโง่ นี่นะเราพิจารณาอย่างนี้เราดูมาที่ตัวเองแล้วเราวางพยายามว่ายอย่างเนี้มันถึงใจมันสลัดปั่วได้เลยนะลองดูสิลองดูสิถ้าไม่ถึงใจขั้นนี้ระดับนี้สลัดไม่ได้สลัดไม่ได้พฤติกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยติดเคยคล้องมาเนี่ยไม่ว่าพฤธีกรรมใดๆก็ตามกินเที่ยวเล่นสนุกอะไรต่ออะไรสารพัดอย่นี้เลรา พฤติกรรมที่หยาบคายทารุณยอะไรอย่างอื่นที่มันมีไปจํานิสัยของเราทําไมเราต้องมาสร้างเหตุเพื่อความทุกข์ให้กับตัวเราให้กับหัวใจของเราเราฉลาดแล้วเราโง่เราพิจารณามันจะสลัดออกทันทีนะ เ, เราเนี่ยมหานั่งสร้างเหตุให้กองทุนใหกับหัวใจของเราเองเราเนโง่จริงๆสลับโปะได้เลยตรงนั้นเวลานั้น ที่ตรงนั้นเป็นอนุสรชีวิตของเราไปสร้างอนุสรสถานไว้ได้เลยใครมีความนึกมีความเพียรอยู่อย่างนี้ความเด็ดขาดของจิตใจของเราเร า, เราสร้างได้เราทําได้เนสชิเนสชินั่งทั้งคืนอยู่ทั้งคืนหมายว่าไม่นอนไม่นอนไม่นอนทําไมไม่นอนภาวนาเราตั้งใจภาวนาเราไม่นอนแต่เราตั้งใจภาวนา ดวยเหตที่เราตั้งใจภานาเราไม่ยอมหลับเราไม่ยอมนอนจะยืนจะเดินจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งตลอดทั้งคืนเราลองลอ ง, ลองรับตั้งใจป๊บโอ้ใจมันใหญ่นะโอยเล็กน้อยเองตั้งแต่หัวข้ามไปจนสวาน่าแป๊บเดียวนี่สําหรับเรายังไม่แก่กล้าพอเราต้องพลิกต้องเปลี่ยนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่ง กับท่านที่ท่านมีความสามารถเนี่ยท่านเข้าถึงทำท่านพิจารณาธทำท่านนั่งอิริยะบทเดียวไม่ต้องพลิกไม่ต้องเปลี่ยนเลยตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินจนสว่างเนี่ยท่านทําได้ไหมมาคิดลองดูดินั่งทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยดูซิมันเรื่องเล็กน้อยใจจะหัดมันอยู่ในหมัดอยู่หมัดมาแล้วเนี่มันใหญ่ใจนี่มันให ญ, มใหญ่มันครอบไปหมดแล้วงั้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงของหัวใจของเราจะร่วงไปเลย มันร่วงไม่ได้ทุกใจของเราอ่อนแอร่วงไม่ได้เหมือนอย่างเรามานั่งภาวนาเป็นหมู่เป็นคณะอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหตุพยุงกันนะน้องเราไปอยู่คนเดียวเนี่ยครอะไปแล้วลุกไปแล้วเดินไปแล้วเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วเรามาอยู่อย่างนี้เราพยุงกัน ถ้าเราทําจนชานิชํนานาญไปแล้วเราอยู่กับหมูเราก็ถนัดเราไปอยู่คนเดียวไปตั้งใจนั่งทําคนเดียวเราก็ถนัดเพราะเราทําจนคล่องแล้วแต่วิธีที่บังคับแก่บังคับโดยอัตโนมัตินะ่ะวิธีอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราได้ฝึกฝนอบรมตัวเองได้ดีเขาทําได้เขาทําไ ด, เาได้เราก็ต้องทําได้ความแข่งขันในใจของเราข อ, ของเราของท่านมันมีอยู่ เราตั้งใจจะแข่งเกลีย ด, ดเกลียกมก็แข่งเราเราแข่งเกลียดตั้งใจจะแข่งกับมันะเราตั้งใจจะแข่งเขาเขาตั้งใจจะแข่งเราแท้ที่จริงก็คือตั้งใจจะแข่งเรานี่แหละแข่งเอาความเขียนแข่งความขี้เกียจที่้ขลาในใจของเราหลวงตาอกตั้งใจให้จริงจังขึ้นมาเราตั้งตัวได้ใจสําคัญมากใจสําคัญทีเดียวตั้งเจตนาขึ้นมาปั๊บ ขาดสบันไปหมดแลยอะไรยังอื่น เ, เดินไปพิจารณาเหตุผลไปไม่งั้นทําไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้อ่อนแออ่อนปวกเปียกสู้เราไม่ได้สู้มันไม่ได้ความตั้งใจจึงสําคัญทีเดียวตั้งใจได้เท่ากับว่าเราเดินไปได้เกินครึ่งหนึ่งแล้วเวลที่เราตั้งใจหนระยะทางกี่โยอดกี่โยอดก็ตาม เหตุที่เรากล้าเนี่ยมันเท่ากับเราเดินได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันเป็นคําสุภาสิตธเหมือนกันนะตั้งอกตั้งใจทําเขาทําได้เราก็ต้องทําได้มันท้าทายเรายิ่งคิดมันยิ่งท้าทายเทคท้าทายเราเนี่ยแหละท้าทายในใจของเราไม่มีใครท้าทายคือเราพูดมันท้าทายในใจของเรา เมื่อความเจ็บความปวดมันท้าทายเราเนะี่ยเราต้องการจะนั่งท่านี้ชั่วโมงเท่านั้นชั่วโมงแนะม่ปวดแล้วเกิดมันท้าทายเรามันเก่งไปถึงไหนอะเราไม่ใช่เราไปแบบมือเปล่าไม่ใช่เราจับเสือมือเปล่าเรามีวิบายเรามีวิธีเรามีข้อปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังจากคําพูดคําบอกคําสอนของครูบาอาจารย์เราได้วิธีปฏิบัติ เราได้แง่พิจารณาที่ท่านสอนให้เราพิจารณาเหมือนอย่างท่านสอนให้เราพิจารณาทุกขเวทนาเนี<ไ>่ยทุกคเวทนาตามหลักท่านก็บอกว่าเวทนาอันนี้อย่างทุกข์งอนัตตาเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนาท่านบอกแค่เราใช้สติตามกําหนดจับจอรู้อยู่เวทนาสักตะวันเวทนา สติของเราจะชนะไปหมดนะโอกาสที่เราจะรวมตัวให้กับตัณหามันไปยึดว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันยึดไม่ได้เพราะสติสัมปชัญญะมีพลังกว่ามีอํานาจเนื้อกว่าบอกแล้วว่าธรรมะมีอํานาจเนื้อกว่ากิเลส ใ, ในใจของเราถ้าธรรมะไม่มีอํานาจเนื้อกว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยไม่สามารถจะ สงบระงับดับเจรอตัดกิเลสหัว ใ, ใจได้ตั้งใจต่อสู้ทีไรเมื่อไหรไม่ว่าใครไม่ว่าท่านผู้ใดทำจะต้องชนะแต่ต้องต่อสู้ต้องสังสมต้องอบรมอย่างยิ่งยวดต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่ใผู้ปามล้วก็ได้ปุ้ป่าเราก็ได้สมัยพุทธกาลท่านบรรลุธรรมได้เร็วท่านเพียรพร้อมมาแล้วสามเณรราหุลเนี่ย เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบเลสังกิตจัสมะเนนี่ยเนี่ยพวนี้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดปีเจ็ดขวบเนี่ยอย่างสังกิจจัสมะเนเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แค่เอามีดโกนไปจดผมเนี่ยโกนกำลังจะเริ่มโกนแค่นั้นน่ะพิจารณาปรงตกแล้วจิตเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์เลยนะสังกิตจัสมะเนรเป็นคนมีบุญมาเกิด เป็นคนมีนิสัยแห่งการตัสรู้เป็นพระอาหารหันต์มาเกิดแม่ของสังกิจจาสมมาเนตตายทั้งกลมตายทั้งกลมคือยังไม่ได้คลอดสังกิจจาสัมมาเนยอยู่ในท้องเขาเอาไปเผาแต่ลูกในท้องยังยังยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเผาไม่ไหมไม่รู้ไฟยังไงมันรู้มันรู้จักมันถึงไม่ไหม อยู่อย่างนั้นแหละเหลืองอารามอยู่บนกองเพลิงอย่งนั้นแหละเพลิงก็ไม่ไหม้แม่อะไรเนะี่ยทีแรกก็เห็นเห็นเป็นก้อนๆเห็นเป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยซาปเรกเอาไม้ไปเขีย่ยเขี่ยเขียเขี่ยแล้วไปถูกหางต่างท่านเป็นรอยแผลเป็นรอยเป็นรอยแผลนิดหน่อยขึ้นมาพอ ม, มันไหม้จนมอดหมดเห็นเป็นเด็กทารกนอนอยู่เหลืองอารามอยท่ากลางกองไฟนะ โอ้ยอัศจรรย์นอามาเลี้ยงอายุยืดควมได้เป็นพระอรหันต์สังกิจจสมเณนไปบวชกับพระสารีบุตรน่ะเป็นเณนของพระสารีบุตรไปบวชกับพระสารีบุตรได้มนุษย์ทตั้งแต่เอามีดโกนมาจดผมเนี่ยเริ่มโกนเนี่ยนั่นแหะมนุษย์ทำเป็นพระอรหันต์เลพระอรหันต์อายุน้อยเท่าไหร่เขาเขาเรียกว่าพระเถระพระเถระ มหาเถระเถระแปลว่าเป็นผู้มั่นคงสิ่งที่พอจะเป็นหลักปักฐานได้ในหัวใจของเราคือความมั่นคงพระเถระพระอาหารหันต์นั้น ถ, ถือว่ามั่นคงเถระเถระแปลว่าความมั่นคงไม่โยกไม่คลอนสันที่จะสมมเนร์ไอยู่บำเพ็ญในป่าบำเป็นความเพียรในป่า มันเป็นในเพ่นมันเพ่นในป่าทีนี้ปรากฏว่าโจรเขาจับเขาบวงสรวงเขาต้องการจะบวงสรวงในเวลานั้นเลิกง้ำยามยดีองท่านเวลานั้นปริพระเดินเข้าไปในนั้นพอดีเขาก็เลยจับ จับพอเขาจับปั๊บเขาแสดงความยืนยันว่าเขาขอสักองหนึ่งไปบูชาบูชายันตามที่เขาพลีกรรมตามที่เขาบวงสรวงนั่นแนะเขาก็จับหัวหน้าหัวหน้าก็จะหัวหน้าก็จะไปให้เขาพลีกรรมในนั้นทั้งหมดมีแต่พระอาหารต์เท่านั้นนะ่ะพระกลุ่มนั้นมีแต่พระอาหารต์เท่านั้นองค์รองลงมากระับแทนองค์รองลงมาไม่ยอมกระับแทน ล อ, ล, อ ล, อลองมารับแทนรับแทนทั้งหมดไม่มีใครยอมในที่สุดก็ในสุด ก, ดก็มองเห็นสัมเนียนี่แหละไปถึงสัมเนียนไปถึงสัมเนียนไปถึงสำเนียนสัเนียนย น, ยนี่ก็ไปไปพอไปเขาก็เอาไปบูชาะเอาบูชายันเขาเข า, าตัด คนที่จะย่างจะปิ้งจะอะไรทำให้เลือดเขาจะได้บูชา ย, ยานนั่นแหละนําเนียนก็ไม่กลัวเดินไปอย่างสบายเขาก็แปลกใจเอ๊ะเนียนน่ทำไมไม่กลัวเนาะชักดาบชักอะไรขึ้นมาก็ไม่กลัวนั่งเข้าชานอย่งนั้นแหละลงมือลงมือฟันไปปั๊บมีดยิงององอโถทำให้เปินเจ้าเนีย แปลกใจมากมีดงอไม่เข้าเอามือดัดดัดดัด ด, ด, ดัดว่างั้นล่ะฟันเข้าไปอีกทีนี่มวนเลยมีดดาบนั่นม้วนเลยเห็นความอาศิษฐานกราประกปะลกปร ก, ปรกตั้งแต่หัวหน้าโจรมาจนถึ ง, ถงลูกน้องโจรขอสมัครเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยเนยสามเนนก็บวชให้บวชเป็นเนนให้บวชเป็นเรนรแนะนำไปฟ้าพระสารีบุตร นี่คือเนสังกิจกรรมสเนรนะท่านมีท่านมีนิทานเล่าเอาไว้เนี่ยในครั้งพุทธกาลโสปานตะสมเ น, มเนรเ น, นี่ยสังกิจกรรมสมเนรติดตะสมเนรเนี่ยราหุนสมเนร์พกนี้บรรลุเป็นฟารานตั้งแต่อายุเจดปี<ม>เขาสร้างบารมีมาเต็มเปี่ยมเต็มพร้อมกว่าเขาจะบรรลุถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นมันปริมบารมีเขาปริมแล้ว ในใจของเราของท่านเนี่ยบารบมีมีไม่เท่ากันมันดูไม่ออกแต่หากมีอยู่ในนั้นแหละเราดูกันไม่ออกหรอกบารบมีมีเราไม่ต้องไปโทษเขาเขาไม่ต้องไปโทษเราอย่าไปงึดเขาอย่าไปงึดเราบารบมีของใครของเรามีด้วยกันทั้งนั้นบุญญาธิการบุญญาภรมีเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เขาอดได้เขาทนได้ เราก็ต้องอต้องทนได้เขามีได้เขาเป็นได้เราก็ต้องมีได้เราก็ต้องเป็นได้เราต้องตั้งตั้งใจอดตั้งใจทนเราทําได้นี่บุญญาธิการบุญญาบบารมีหัวใจของเราสามารถสร้างได้ทําได้เหมือนกันด้วยการทุกท่านทุกคนคพราเราต้องตั้งใจทําผลหลายได้เวลามันเข้าถึงหัวจิตหัวใจเรามันจะแปลกปรลาดแตกตื่นจาก คนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งขึ้นมาในหัวใจเราพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยปัญ า, าศาสนามของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอะไรอัจศจรรย์พิเศษพิษสถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้จะไม่ทรงตัวอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ที่ต้องเสื่อมสลายละลายหายไปหมดแลวแต่ได้เหตุมีสั จ, จธรรมรองรับอยู่มีผู้เห็นผลตั้งใจถือตามพุทธตามปฏิบัติธรรมมีอยู่ ลักษณะทำของพระองค์ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเยาว่าแต่ 2,500 ปีเยาว่าแต่ 5,000 ปี 50,000 ปี 500,000 ปีก็ยังมีได้ถ้าหากคนตั้งใจถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามและผู้ที่บริสุทธิ์พระอรหันต์เนี่ยตามรายที่ยังมีผู้เจริญอริยมรรคมโยงแปดอยู่พระอรหันต์จะไม่สูญจากโลกพระเจ้าท่านส่งกล่าวไว้แล้วพระอรหันต์จะไม่สูญจากโล ก, ก, ก, โลกแต่ว่า อาเดียมักมีองแปดมีอยู่เต็มคัมภีร์เต็มตู้เต็มใบลานแต่มนุษย์ไม่สนใจมนุษย์ก็ค้างติดอยู่ในโลกนะัหาความเป็นพ า, ารานไม่มีมีตัวผู้ิชนเต็มไปหมดเพราะไม่สนใจมือนก็ยาดีแต่ไม่มีใครสนใจเอาไปแก้โรคแก้ภัยในเมื่อริดยาไม่ได้เข้าสู่ร่างกายของเราโรคมันจะหายได้ยังไงธรรมะของพระพุทธเจา้ามาแก้โรคใจ โรคความโรคโรคความโกรธโรคโราคะตัณหาโรคกิเลสตัณหาใน ห, ในหัวใจของเราเธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก่โรคทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ขายยินดีที่จะรับยายาก็จะเริ่มให้ฤทิ์ให้เดชใครไม่รับยายาจะให้ฤทิ์ให้เดชได้อย่างไงยาไม่ได้เข้าไปสัมผัสสิ่สมาธิปัญญาไม่ได้เข้ามาสิงสติในหัวใจของเรา ใช้เราไม่มีศีลมีทําได้ยังไงไม่มีอย่างน้อยๆเราทรงศีลแลามีศีลศีลก็มีผลเหมีอนในสงนาะอย่าลืมให้ทานรอยครั้งสู้รักษาตั้งใจรักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้นะอย่าลืมนะ ในขนาดที่เราตั้งใจรักษาสินอยู่นั้นงดเว้นตามสินองค์นั้นนั้นข้อนั้นนั้นเนเราก็ต่ อ, อกรกันกับตัณหาแล้วตัณหาที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราเราตั้งใจรักษาสินปั๊บนะมันเป็นการป้องกันเป็นการสงบงับดับตัณหาใน ห, ในหัวใจของเราแล้วเพราะอะไรเพราะตัณหามันแสดงทิฐิใจใจนึกนึกนคิดๆคิดคิ ด, คด เกินเหตุเกินประมาณมันก็ทลักออกมาที่กายเอากายมาสนองเป็นกา ย, ยกรรมเห็นไหมมา่าสัตว์มาลักทรัพย์มาประพฤติปิดในกามมันไม่อยู่ๆมันก็ออกมามันนึกคิดพงุงจนพอแรงแล้วกว่า ม, มันจะออกมาเอาคายมาสนองเอาวาจา ม, มาสนองฤทธิดเดชของอะไรฤทธิดเดชของความอยากของตัณหาในใจของเรานะี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละความอยากในใจของเราถูมันเห็นนะย้อนกลับไปลุ่ในใจของเราเดี๋ยวนี้เราก็เห็น อยากย้อนไปดูมันเห็นคนไม่รู้จักคนไม่เข้าใจไม่เคยย้อนไปก็ไม่เห็นอยากพูดอยากคุยอยากลุกอยากเดินอยากพลิกเปลี่ยนอยากนอนอยากทําอะไรตามอิสระตามใจชอบนี่คือความอยากแล้วดูที่ออยากกกโก้กาแฟอยากนุ่นอยากนี่อยากอาหารสารพัดที่มันจะพาอยาก ความอยากกิริยามันมีอยู่ในใจของเราแท้ที่จริงความอยากก็คือตัณหาตัณหาก็คือกิริยาของใจของผู้รู้ของเรามันไม่ใช่อะไรมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นตนนะกิริยาทั้งทงหลายทั้งปวงเหล่านี้นะมันเป็นแค่กิริยามันเป็นอาการมันเป็นกิริยาของใจเป็นอาการของใจเป็นอาการที่ไม่ดีเป็นกิริยาที่ไม่ดี ท่านก็เรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยอยากตามอำนาจของสมุ ท, ทยัยคือความโลภความโกรธราคะตัณหาถ้าอยากตามอำนาจของมัดงดความโลภงดความโกรธงดราคะงดตัณหาหันหน้าใช้สติใช้ปัญญาหันหน้าหันก็บอกปืนสู้ก็มันเล่นงานกับมันนี่แบบนี้ท่าเรียกว่าอยากโดยอำนาจของมัดเอาอยาก โดยมัดมาปราบอยากโดยสมุทัยไม่ใช่อยากอะไรก็เป็นทุกข์เป็นโทษไปหมดไม่ใช่ก็เหมือนอย่างที่เรามาอบรมทหารเราไม่อยากได้บุญเนี่ราก็คงไม่มาถ้าเราไม่อยากได้ดีได้ดีไม่อยากได้อยากดีอย่างมีอยากเปลี่ยนเราก็ไม่มาด้วยเหตุที่เรามีความอยากแต่มันอยากโดยมัดเหมือนเหมือนความทุกข์เน่ยที่มันเกิดขึ้นน่ยมันทุกข์มันทุกข์เรารู้ว่ามันทุกข์ถ้าเราไม่อยากดับทุกข์เนี่ย ความทุกข์จะมันจะดับได้ยังไงมันก็ดับไม่ได้ยากหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยากอีกอันหนึ่งเป็นมัธเป็นข้อปฏิบัติตบัตตั้งใจปฏิบัติไปแล้วมันปราบเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ทร ง, งระงับดับความทุกข์ดับได้เป็นนิโรดนีร่ระยะสั้นสีมันพันอยู่นี่แหละพันอยู่กับหลักของเหตุของผลนี่แหละตรรมอุ้ยใจ มไม่มีอยู่ที่ไหนใจของเราธรรมที่จะตรึงตราธรรมะที่มีอยู่รอบข้างตัวเราให้มีได้ให้เป็นได้ที่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงกองสังขารกองสังขารทั้งนั้นมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาไม่ใช่กองสังขารจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็สำคัญอีกแปลกอีกเหมือนกันรอบๆบข้างตัวเรานับตั้งแต่ร่างกายของเราตัวของเราใจของเรารอบข้างตัวเราทั้งหมดไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารพ้วนแต่เป็นกองสังขารเท่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรุงที่ประกอบสั้นนับตั้งแต่ตัวเราไปจนถึงสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราหมดโลกกะาะ t ที่เราเป็นอยู่นี้มีแต่กองสังขารเท่านั้นมีแต่สิ่งที่รวมสิ่งที่ปรุงสิ่งที่ประกอบทันหาสิ่งที่หยุดเอกเทศโดย หนึ่งเดียวไม่ได้อา้าวและสิ่งที่เป็นอยู่โดยเอกเทศโดยหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ใช่กองสังขารมีหรือหรือเปล่ามีหรือไม่มีคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอาหารหันต์พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นกองสังขารเพราะชะล้างเกลเล จ, จนหมดจดแล้วไม่ต้องมาพูดถึงกองสังขารกายช ะ, ะล้างละจนหมดแล้ว จิตสะอาดหมดจดไม่มีอนิจจังทุกขัอนัตตาไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความเล่ความโกรธไม่มีราคะตัณหาเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเขาไม่เรียกสังขารเขาไม่เรียกกองสังขารเขาเรียกวิสังขารไปดูในหลักธรรมะชั้นสูงเขาเรียกวิสังขารวิสังขารแปลว่าไม่ใช่ของไม่ใช่กองสังขารสิ่งที่ไม่มีกองสังขารสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารสิ่งนั้นจะไม่มี อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นพระจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตที่บริสุทธิ์ของพระอาราหันตะ์จะไม่มีเปลี่ยนแปลงดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอันตรการหมดตัวหมดตนที่จะไปอบัติในภพในภพนี้ต่อไปเมื่อไม่มีโอกาสที่จะไปอบัติในภพนั้นในภพนี้ขึ้นชื่อว่าภพภพไหนๆมันจํากัดอายุเราทั้งนั้นแหละก็เหมือนอย่างมนุษย์มนุษย์โลกเราเนะี่ย เียอายุมันจำกัดอย่างทุก ว, วันนี้ถ้าเราพูดตามหลักเกณฑ์ของอายุของมนุษย์เราทุก ว, วันนี้อายุแค่เจ็ดิหปีสมัยพระพระเจ้าทรงพระชนอยู่เนี่ยมนุษย์อายุร้อยปีแต่พระองค์เลือกอยู่แค่80พระพันศาเท่านั้นร้อยปีลดลงหนึ่งปีรอยปีลดลง1 ป, ป, ลลง1ปีจากนั้นมาถึงนี้เป็นเท่าไหร่2563สปีดูสิมันลดไปเท่าไหร่แล้ว เราลดลงมาเหลืออายุแค่ประมาณเจ็5สิบสี่เจ็ดสิห้าปีสั้นเองทุกวันนี้ร้อยปีลดเหลือหนึ่งปีร้อยปีลดหนึ่งปีร้อยปีลดหนึ่ง ป, ปีเพราะเดี๋ยวนี้เราขาหลองอายุของสัตว์นะขาหลงไม่ใช่ขาขึ้นไม่ใช่ขาเจริญมันเป็นขาเสื่อมความเจริญความเสื่อมของอายุของมนุษย์ของสัตวนะ์เนี่ยมีเหตุของมันมีเหตุคืออะไรขาดศีลขาดธรรม ตราบใดก็ตามใจของมนุษย์ขาดสินขาดธรรมนมนุษย์จะอายุสั้นเดี๋ยวนี้พวกเราขาลงอายุมนุษย์จึงสั้นรอ้อ ย, นนรอยปีอายุสั้นลงหนึ่งปีร้อยปีอายุสั้นลงหนึ่งปีอ่ามันจะสั้นไปเรื่อยๆจนมนุษย์นี่มีอายุแค่สิบปีแสดงมนุษย์จะเริ่พัฒนาขึ้นมาใหม่อีกเอาอะไรมาพัฒนาก็เจริญสินเจริญธรรมนี่แหละ พอสินธรรมในใจของมนุษย์ของสัตว์เจริญอายุก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นศินธรรมในใจในจิตในใจของสัตว์เจริญอายุของมนุษย์ของสัตว์ก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นอายุก็จะเพิ่มขึ้นร้อยปีเพิ่มขึ้นหนึ่งปีร้อยปีเพิ่มขึ้นหนึ่งปีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเรืจนถึงแส น, นปีนู่นแหตามหลักที่ท่นพูดเอาไว้พอไปถึงแสนปีแล้วโอ้มันจะเห็น อ, อันนีจ้จากทุกอย่างอนัตตายาวแหละมันมองม่เห็น อ, อตระลาะ มันจะสำคัญผิดไปหมดว่าัจของเที่ยงเหมือนพรมเหมือนพระกาพรมที่ก็คิดว่าเขาเที่ยงเนะี่ะเคยได้ยินเรื่องพระกาพรมไหมเล่าเรื่องพระกาพรมใหม้ฟังสัหน่อยพระกาพรมอยู่บนมโลกพรหมโลกน่นพระกาพรมท้าพระกาพรมมีวันหนึ่งพระกาพรมเขามาดํารีว่าเขามองมาที่มนุษย์เราโอ้มนุษย์เอ้ยเมื่อเราไปดิ้นรนสร้างคุณงามความดีทำํทำบาปทํากรรมทําไม้ ในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นจากการบันดาลของเราเขาเยอะย้ยมนุษย์นะเขาบ่ามนุษย์ได้ดิ้นรนไปเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อทุกอย่างที่เป็นอยู่นี้เขาเป็นคนบนันดาลให้เขาว่านะเพราะโลกของพรนะพรหมน่ะมันอายุยืนยาวมากจนเขาสาคัญมั่นหมายว่าเขาวนี้เที่ยงเขามีความบันทในใจอยู่เงี้ยทุกพระเจา้าทารู้หมดน่ะสด โสดธาตุของพระองค์เนี่ยละเอียดถึงขนาดนี้พระองค์ก็รู้จกักอท้าปกาพรหมนี่ทิฏฐิมานานะอะไรเน่ยสำคัญตนนั้นเนเขาเชื่อว่าเขานี่เที่ยงเขาถือว่าเขาเที่ยงเขามีความนับถือว่าเขาเนี่ยสร้างโลกดูมันจะลักษณะลบโลดูถูกมนุษ ย, ย์ได้ซ้ำไปวาเขครู้ก็เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครรู้เท่าเขาเหมือนเขาพระพุพทธเจ้าท่านทรงรู้ หายวับไปโผล่ตรงหน้าพรหมนะที่พรหมมาลอกนะโอ้พระศาสดาท่านเสด็จมาสู่สำนักของเรามีเหตุใดหรือเชื่อเชื่อใ้พระองค์ประทับอยู่นี่ท้าประกาศพรหมเรารู้ความลำบีกของเธอ เรารู้ความเชื่อถือของเธอพรหมนี่เขาถือว่าเขานีอายุยืนเที่ยงและที่เขานึกนอยู่ในใจเนี่ยรพระพุทธเจ้าท่ารู้เขาก็ไม่แปลกใจแล้วก็จะแปลกใจอะไรในะเมื่อเราคนนึกจริงๆเรามีความรอบรู้จริงๆไม่มีอะไรปิดบังเราได้เราเป็นผู้อมตะ น, น, นุ่นนี้จริงๆพระพุทธเจา้าเอ๊ะประกาพรหมนี่ชักจะไปกันใหญ่แล้ว ท่านรู้ว่าท่านรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครรอบรู้เท่ากับท่านมีมีไหมถ้าอย่างนั้นท่านลองไปซุกซ่อนตัวดูเราจะหาให้พระกาพรหมเนี่เขาหายตัวไปปรากฏที่ไหนก็ตามแต่พระองค์จะหาก็าดูที่เราจะหาเจอไหมดีดีเขาบอกท้า ท, าทา่ายดีดีเขาห า, า, า, าย ว, า ว, าวับไปเขาก็ไปสถิตยอยู่กับนก เสียงก็แววมาอ๋อพระกาพรหมท่านอยากเป็นนกหรือเสียงผู้ดีเจหมายว่าพระองค์เห็นเออแล้วกันพระองค์เห็นจนได้หายฟับไปไปปรากฏอยู่ในกลีบดอกไม้ปนไปอยู่กับกลีบดอกไม้กับเกสรดอกไม้พระคาพรหมท่านอยากเป็นดอกไม้หรือเสียงแววเข้ามาอีกอ๋อพระองค์รู้หายตัวตรงไห น, นพระองค์เห็นหมด หายว่าไปอีกไปละลายอยู่กับเมล็ดทรายใต้ท้องทะเลมหาสมุทรโอตัวการพรหมท่านอยู่สูงแล้วไม่ไม่น่าพอใจหรือยังไงถึงลงมาอยู่ใต้ท้องก้นทะเลตาแล้วไปอยู่ตรงไหนไม่พ้นสายหูสายตาของพระองค์ยอมแพ้อาอย่างนั้นถึงถึงคราพระองค์บากยอมแพ้ว่าเราอยู่ในตรงไหนก็สามารถมองเห็นได้หมดไม่ไม่สามารถอยู่ในที่ลี้ลับ ความรู้ความเห็นของพระองค์พระกาพรมแค่รู้แค่นั้นเองแต่พุทธิยถาสัพพัญญุตญาณนะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพุทธิยถาหายวับหายวับตรงหน้าพรหมหนะึ่งคือต่างคนต่างเล่นซ่อนหากันว่างั้นเถอะเราไม่ได้ไปไหนเระาเสด็จเดินจงกรมบนหัวพรหมนั่นแหละเดินจงกรมไปมาบนอากาศนั่นแหละ พระกาพรหมเขาก็ส่งแ่ะนะดูโลกธาตุนี้ดูโลกธาตนะุนั้นดูโลกธาตุหมดทีหมื่นกีนก่แสนโลกธาตุไม่เห็นพระองค์ไปสถิตอยู่ตรงไหนไม่เห็นดูแล้วดูอีกไม่เห็นทําไงก็ไม่เห็ น, หนยอมแพ้อยู่ที่ไหนท่านแสดงตัวให้ปรากฏเถิดโอ้ยเราไม่ได้ไปไหนพระกาพรหมในระหว่างที่เธอหาเราเนี่ยเราก็ยืนเดินจงกรมอยู่บนหัวเธอนั่เองลงลงมากราบปลกุปลกปลุก ยอมแพ้ยังยังไม่ยอมเปล่งพุทธังธรรมังสังขังสร่างกระฉามีนะพระพุทธเจ้าทั้งกสอนท่นี้กล้าพรหมบนโลกใบนี้มันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วมันมีแตกสลายไปไม่มีอะไรคงที่อยู่เท่าเดิมไม่มีก็ อ, อะไรก็คือกองสังขารยัง ม, มีอะไรบ้างที่จะมีอยู่เท่าเดิมไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเราย้อนมาที่พวกเรา น้ำกุหลาบกลหละของพ่อของแม่ประกอบกันในท้องแม่เป็นน้ำใสๆเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นน้ำใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนมีขาสร้างตัวเองขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตลอดเจเดือน8เดือน9เดือนครบอวัยวะสาสิบสองประการคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิม ความไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละคือทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนั่นคือของสังขารมีกองสังขารใะบ้างที่จะอยู่เท่าเดิมมีไหมเราพิจารณาอย่างนี้ก็ทําให้เราได้ประโยชน์ในการมาพิจารณาเพื่อเจริญวิปัสสนาธรรมเพื่อเจริญสมุทธรรมเพื่อเจริญวิปัสสนาธรรมเพื่อความมารู้เท่าทันความเป็นไปเป็นมาของรูปกายของเรานี่ที่ไปที่มาของรูปกายของเรานะ่ะมาเป็นก้อนรูปได้เพราะอะไรเพราะสมุทัยอ่ะ สมุทัย ใ, ในใจของเราพาเราเกิดสมุทัย ใ, ในใจของพ่อของแม่ทำให้น้ำใสๆไปปรากฏในท้องแม่ร้องไม่มีความอยากไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยมันจะมีไม่ได้เช่อนอย่างมหากระสปะเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้ออกบวชกำนางพัฒกาเวลานีนแต่งงานกันแล้วไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวกันที่ไหนจะมีลูกไม่มีหรอก ว่าสองคนเนี่ยเป็นศัตว์ที่พรหมโลกมาเกิดไม่มีความรู้สึกกำหนักอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วก็เป็นคนรวยมากปกครองสิบหกตำบลเก็บซวยสาอากรได้ทั้งหมดตกทอดมรดกมาจากพ่อมาจากแม่สองคนเนี่ยนะดูแลทรัพย์สมบัติสิบสองตำบล แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเขาก็เอาทุกมาร้องเรียนเอาปัญหาหนั้นมาร้องเรียนเอาปัญหาหนี้มาร้องเรียนโอ้ยพวกเราทําไมเรามานั่งรับทุกขแต่จากคนอื่นโย่รําไปอยู่อย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นเอานั้นมารายงานเดี๋ยวคนนี้เอาอันนี้มารายงานไม่เห็นได้อะไรนั่งทุกปบเปล่าอู้ใครอยากได้เอาไปเถอะทิ้งแล้วสละแล้วพากันออกบวชตั้งผัวทั้งเมียกันเลยไปถูกเนื้อต้องตัวกันตอนโกนผมให้กันอ่านั้นนะ เพราะยุคนั้นสมัยนั้นเน่ยเขาถือว่าคนที่โกนผมนี่เป็นคนเฉียดเป็นคนจันไรนะเป็นคนที่สังคมก็ทิ้งนะคนอายุคนั้นในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้โกนเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมพัตกาเวลานีกับมหาคส ป, ปในตอนนั้นก็เช่นเดียวกันทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้านั้นอะ่ะบวชอุทิศตน ต, นต่อพระอาหารหันตในโลกเนี่ย ทีพ่พอเป็นนักบวชไปแล้วนี่โอ้ยพวกเราเป็นนักบวชเราจะเดินตามหลังกันไม่ได้นะนี่เราไม่แยกทางกันเถอะพอไปถึงทางสองแยกสองแพร่งมหาจักรพรรดเข้าไปข้างหนึ่งนางพัตกาบาลนีเข้าไปข้างหนึ่งปรากฏว่ามหากักสปรเนี่ยไปปรากฏในพระไข่พระอหารของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ทรงสดเด็จมาประทับรอคอยในระยะ เวลาที่ในระยะที่ไม่ไกลนะักวันที่พระพุตธนิครตกนางพัตติกาเวลานี้ก็แยกไปอีกข้างหนึ่งไปก็ไปเจอสำนักพิชณนีให่ไหมบุญเขาเห็นไหมเราก็ได้บวชเป็นพระอรหันต์ไปตามๆกันตั้งใจศึกษาตั้งใจ้ฝึกฝนอบรมนี้เราพูดในแง่ว่าถ้าไม่มีความอยากในใจโอกาสที่จะทำการเจริญพันธ์กันไม่มีแล้วมันจะมีน้ากละละได้อย่างไง เราพูดง่ายๆว่าทุกเป็นผลเหตุคือสมุทยัยสมุทัยนำมาซึ่งผลคือความทุกข์คือก้อนก้อนทุกข์เพราะสมุทัยคือความอยากในใจของเรานี่ยแหละเป็นเหตุทําให้เกิดกองทุกกองโทษทําให้เกิดพบเกิดชาติมาดูจักจบมาดูจักสิน้นแต่เราดิน้นกระเะระสือกกสนอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นไม่ว่าจะเป็นเขาเขาไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็นยศศัก์ตำแหน่งเกียบติไหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะไม่มีอะไรเป็นข้อแตกต่างกันถูกบุญถูกกรรมส่งให้เราได้รับไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยของใครของเราหยาบบ้างละเอียดบ้างสุขบ้างทุกบ้างปนเปนกันอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิน้นเอาอะไรมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ได้แต่ร้อยท่างร้อยพวกเราก็ติดสมมุติกัน สมุติอย่งงางนั้นสมุติเกียรติสมุติศสมุตยิยศสมุติอำนาจสมุ ต, ม ต, ม ต, มติอะไระอะไรสารพัดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องโลกโล ก, กธรรมทั้งหมดพวกเราติดโลกกรรมธรรมติดโลกกรรมธรรมโลกกรมธรรมก็คือความเป็นไปของโลกนั่นแหละไม่ใช่โลกุตรธรรมเราติดโลกกรธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกกรรมธรรมแปด เพื่อให้เราระมัดระวังเอาไว้ไม่ให้เราหลงลืมตัวมีสุขมีทุกข์ตราบใดมีทุกข์เดี๋ยวมีสุขมาแก่ตราบใดมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์มาแก่มันแก่กันไปมันแก่กันมาไม่ใช่เรายึดสุขเที่ยงหรืออย่างนั้นไม่ใช่เรายึดทุกข์เที่ยงหรืออย่างนั้นมันกลับไปมันกลับมามีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญมีได้มามีเสียไปที่เรียกว่าได้ลาบเสียมลาบได้ยศเสียมยศนินทาสรรเสริญ มีสุขแล้วก็มีทุกข์มันเป็นของคู่กันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเอกเทศอยู่โดยตัวมันเองมันพลิกไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนมามีทันทีวันโลกธรรมตอนให้เราพิจารณาเพื่อไม่ให้เราผิดหวังเป็นเหตุให้เราตัดความทุกข์ในหัวใจของเราได้ถ้าเรารู้จักพิจารณามีสุขเราเอเราก็ไม่เมาในสุขมีลาบมียศเราก็ไม่เมาในลาบมียศ ได้ทำเลยยศมาเอเดี๋ยวมันก็เสื่อมแล้เดี๋ยวก็เสื่อมเสื่อมยศได้อำนาจมาเอ้ยเดี๋ยวมันก็เสื่อมอำนาจมันเดี๋ยวมก็หมดอำนาจได้มาอยู่ในครอบครองของเราเอ้ยเดี๋ยวมันก็เสียไปเดี๋ยวมก็หายไปเดี๋ยวมันก็วิบัติไปถ้าให้พิจารณาอย่างนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมจะทําให้เราไม่ถูกความทุกข์ต่างมากุ้มรุมในหัวใจของเรามีความสํำคัญมีความสําคัญอยู่นะธรรมะทั้งหลายทั้งปวกเหล่านี้ เราฟังไปนั่ง น, นั่งภาวนาไปนึกว่าพระพุทธะมาให้ฟังเป็นเรื่องประปลายไปทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของหลักเหตุผลเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของผลของกรรมเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากเป็นเรื่องของธรรมกรรมวิบากมันเป็นเรื่องสิ่งที่เราประสบพบเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราได้โดยปริจจเหตุไม่มี ไม่มีผลใดๆที่จะได้มาโดยประสิทธิ์จากเหตุและไม่มีเหตุใดๆที่เราทำขึ้นมาแล้วจะประสิทธิจากผลบนโลกใบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุกับผลรับยามดูใหม่นี้เราจะได้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดที่ลึกมันจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไปหมดผู้ที่เข้าถึงเหตุถึงผลจนไม่มีใครสามารถจะถอดถอนทิฏฐิคือความรู้ได้คือ ผู้มีระดับชั้นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันเนี่ยสามารถเห็นข้อเท็จจริงของกายของเราว่าไม่ใช่กายเราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราจึงสามารถละความเห็นว่าเป็นเราเป็นของของเราได้ละสะกายทิฏฐิทิฏฐิว่ากายเรากายของของเราเราเป็นกายกายเป็นเราละได้แต่ละได้ยังไม่เด็ดขาด ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีการส่งพันธนหมายยังมีการยึดในสิ่งที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิบริสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุ ท, ทธิขึ้นนี่แหละคือเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบานนี่แหละเป็นต้นไปมีความเชื่อเป็นอจระศรัทธาไม่โยกไม่คลอนไม่ต่างอะไรกับเสาศิลาแท่งทึบ80ศอกฝังลงดิน หาอะมาโยกมาคลอนไม่มีนี่คือสตาคความเชื่อความเลื่อมใสของผู้ที่เข้าถึงธรรมเพราะศัพทธรรมเหล่านั้นปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งในสติในปัญญาของตัวเองจนกลายเป็นปัญญายานเหมือนอย่างพระอัญญาโกนทยาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งใ น, นสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมแค่นี้ ที่ปรากฏในหัวใจของพระอัญญาโกลธัญญาตัดสินใจเข้าเหตุเข้าผลได้แค่นี้ตอนนี้นี่ที่จิตเข้าถึงกระแสปัจโสดาบันเข้าถึงมัดเบื้องต้นเขาเรียกว่าโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลนี่เราพูดถึงข้อปฏิบัติหยาบๆมันัยไปถึงข้อปฏิบัติที่ละเอียดแต่เรื่องข้อปฏิบัติหยาบๆท่านจะต้องให้เราเรียนรู้เข้าใจ ปัญญการตั้งใจรักษาสีจึงมีเพราะสีนมันเป็นการต่อกอนเริ่มต่อกอนกันกับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราในเมื่อเราไม่ให้มันดิดดิ้นมาแสดงที่กายอากรรของเราได้ไว้กิกรรมของเราได้มันก็แสดงที่ใจท่านให้เราภาวนาใจของเรามันนึกมันคิดมันดิ้นอยู่นั้นด้วยอำนาจของความอยากคือตัณหานั้นมันดิ้นอยู่ที่ใจถ้าให้เราภาวนาเพราะนั้นก็คือเอาอารมณ์ธรรมไปใส่แทนอารมณ์กิเลส มันอาจจะนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกอิจฉาเสียราคะตัณหาอะไรอะไรสรพัดมันนึกมันคิดแต่เราใช้สติกันหมดจดจอบริกรรมบทธรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธตั้งเจตจำนงตั้งเจ ต, ตนาเต็มร้อยแน่นปึ้งเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวที่ใหญ่เสแล้ประคอขยาวพื้ พื้นไปไม่ให้มันหย่อนไม่ให้มันยานหย่อนยานทีไรเมื่อไรท่านหาแท็กหย่อนยานทีไรเมื่อไร่ตันหาแท็กท่านจึงใช้คำว่าวิตกวิจารณวิตกวิจารวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองตรองก็คือประคองเราตั้งพุทธโธประคองจากพุทธไปหาโธประคองจากโธไปหาพุทประคองอไร ประคองใจของเราประคองผู้รู้ของเราเอาสติเอาความอดความทนเอาวิริยะอาสาหามาประคับประคองใจของเราไม่ให้ใจของเรามันตกอารมณ์ที่เด่นชัดในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นขึ้นได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่สองสามอารมณ์นะด้วยเหตุนั้นเราจึงแก้กิเลสได้ให้จิตของเราอยู่แต่กระทำไม่ให้กิเลสโผล่จนกิเลสหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอนานาจ โผลขึ้นมาไม่ได้เพราะเราพยายามปลุกฝังให้แต่ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของเราไม่ใช่กิเลสก็แกทรกธรรมก็แทรกแต่ถ้าธรรมอ่อนที่ไร้เมื่อไร่กิเลสก็แทรกกิเลสอ่อนที่ไร้เมื่อไหรธรรมก็แทรกมันเป็นธรรมะคู่แข่งขันเลยแหละกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราใครเคยอ่านหนังสือธรรมะคู่แข่งขันของน้อ ง, งตาบ้างท่านพูดถึงกิเลสใน ใ, นใจของเรามันแข่งขันกันทุกยักทุกุลาไม่เคยบ้างเป็น ในขณะที่เราเจริญพุทโธพุทโธพุทโธกิเลสมันก็แทรกเข้ามาข้างๆกันแล้วพอเราเผลอปั๊บมันก็แซงหน้าปั๊บมันเอาจิตของเราไปใช้แล้วไปใช้อะไรก okay. ็ไม่ร we ู้แล้วไปด้วยอนาจของความหลงไม่รู้ตัวเมื่อก็เราหลงหลับเนี่ยขลอกก็กรอกเราไม่รู้นะมันไปตั้งแต่ตอนไหนเรารู้จักไหมเราไม่รู้จักเพราไปแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มันแอบดึงจิตของเราไปใช้สอนตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ นี่คืออำนาจของความหลงใจของเรานั้นมีความหลงขาดสติขาดสัมผชสัญญะขาดวิริยะพระคัพปะครองอุตสาหที่ไรเมื่อไหร่ความหลงแวบเข้ามาแหละเอาจิตตรงนี้ไปใช้อย่างอื่นไปนแล้วแสงเอาไปใช้อย่างอื่นไปนแล้วเมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องมากทั้งวีทั้งวันเราไปเจริญแต่สมุทัยตลอดกิเลส กรรมวิบากกิเลสกรรมวิบัตกผลรายเหลือมันจะเป็นอะไรถ้ามันไม่ใช่กิเลส ก, กิเลสมันยิ่งแน่นหนาะมันคงยิ่งแข็งกระดา้างยิ่งแข็งข้อในหัวใจของเราเองมันไม่ให้มันเกิดขึ้นเองนะเราสร้างเราทํามานะอย่าไปโทษฟ้าแดดดินลมนะแก่ไม่ได้โทษมาที่กิเลสในหัวใจของเรานะเราแก้ได้นึกพิจารณาให้หนะักแน่นมั่นคงนและจับ สามารถเอาชนะมันได้เลยเด็ดมันทิ้งไปเลยเฟี่ยงทิ้งไปเลยถึงจิตถึงใจหนึ่งคว้างทิ้งไปเลยเราโง่แท้นังสร้างทุกสร้างโทษแต่ให้กับตัวเราเองทำไมเรามันโง่แล้วเกินเนาะมันถึงใจทำใจของเราใอ้เด็ดครับเด็ดยิ่งกว่าเพชรกะเพชรขาดัน กิเลสมันไม่แข็งเท่ากับเพชรหนูงตาท่านว่าธรรมะเพชฌฆาธรรมะเพชคฆาคือธรรมะต่อสู้กับกิเลสที่มันพาเรายึดความสุขยึดความทุกข์นี่แหละเมื่ออย่างเรานั่งภาวนานานๆเราปวดเนี่ยท่านให้เราพริจารณาเวทนามันก็เป็นบทหนึ่งของเวทนานุปัสสนาสื่อปทาน เรพิจารณากายก็เป็นกายานุปัสนาสีปทานต่อมพิจารณาเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสนาสีปทานเอาจิตของเราตามรู้ตามระลึกไม่ให้ตัวตนมันโผล่ถ้าตัวตนมันโผล่ที่ไรเมื่อไรมันก็ยึดตัวตนตัวตนโผล่ขึ้นมาที่ไรเมื่อไหร่ก็ยึดตัณหามันแทรเข้ามาที่ไรเมื่อไรมันก็ยึดมันยึดจิตยึดใจของเรายึดกายของเรายึดใจของเรา สำคัญมันหมายว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราสุขเรา uk, เราทุกเราทุกเราทุกอเรื่องเราพิจารณาเวทนาความสุขเราก็พิจารณาได้นะไม่ใช่เราจะพิจารณาได้เฉพาะความสุขความทุกแต่ความทุกเนี่ยมันต้องอดต้องทนความสุขมันไม่ต้องอดมันไม่ต้องทนสมมติเรามีความสุข กับสิ่งใดก็ตามน้อยใจของเรามันไม่ต้องอดต้องทนมันช้ำมชื้นมันเบิกบานมันอยู่น้ำอยู่เนี่ยสนึกระเคลิ้มแล้วก็เพลอนละยึดไปยึดไปเพลินไปเพลินไปเพลินไปเพลินละเนี่ยความสุขต้องอาศัยสติกล้าความภาคความเพียรประคับประคองกล้ามันนี้เหมือนความทุกข์มันเจ็บมันปวดปล่อยให้มันไปไหนมันก็ไม่ไปลองดูสิปล่อยมันไปไปได้ไหม เราปวดเราปวดเราทุกเราทุกอยู่นั่นแล้วจุดจุดจุดจขึ้นมาโอ้ยขาจะหักแล้วหัวเข่าจะหลุดแล้วนนมันว่าไปนนนพระพุทธเจ้าท่านให้เราดูเป็นอื่นไปไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราทุกเวทนาสักทวเวทนาเอาผู้รู้ของเราไปพิจารณาเวทนาได้ความทุกเหล่านั้นมันอยู่นอกจิตของเรามันเป็นเวทนาทุกขเวทนาก็ใจเรานี่แหละไปรู้ไปรับรู้ ด้วยเหตุที่มันไม่ใช่จิตมันอยู่นอกจิตความปวดเหล่านั้นมันเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่ตัวจิตคือธาตุรู้คือผู้รู้ที่แท้จริงมันเป็นอาการของมันจึงสามารถดูได้จึงสามารถพิจารณาได้แต่จะต้องมีสติหมุนอยู่นั่นแหละไม่งั้นมันเลืออดเลือทนเอ่ะตัณหามันเกาะปวดแล้เกินปวดแล้วเกินค่อยดูเวลามันเยอะเข้ามาแล้วมันหยุดอ่า ถ้าเราคนเราจะเจาะลองดอูเราจะได้ปะทะกันอะไรเราเบิดเลยเราเบิดเลยแล้วได้ปะทะกันอะไเบิดเลยอืมปัญหากับมัดมันปะทะกันมันระเบิดเลยนะเราดูลองดูความอยากกับกระแสะของกิเลสกระแสะของกิเลสกับกระแสะของธรรมมันปะทะกันลองดูสิ ต้องสังเกตสังการต้องมันกำหนดจดจอ่อกายก็สักเทวะจะเป็นกายจริงเราเอาใจเราพิจารณากายได้เวทนาคือสักเทว่าเวทนาจริงๆเอาใจของเราพิจารณาเวทนาได้เวทนามีอยู่สติมีอยู่สักเทว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกว่าเวทนามีอยู่แต่ไม่ใช่เราถ้าเราไม่พิจารณาอยู่ยางนี้มันบอกว่าเวทนานี่ เ, เป็นเราเราเจ็บเราปวด รู้ข้อเท็จจริงมีปรากฏที่เราด้วยกันทุกคนพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเป็นเรื่องของมาสติสติคือคุณสมบัติในใจของเราเป็นเครื่องไมยเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่เรามาทำงานได้แต่ผลพืลลล้นพื้นไปจนถึงสูงสุดจบพราะมจันทร์ จบไปแล้วท่านเรียกว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์สติวิโุละสติวิโุละสติสมบูรณ์สติบริบูรณ์พระอรหันต์ทั้งหลายทั้ ง, นนว ง, งปวก น, นั้ น, น, น, นเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้ามีคนโจรฟ้องพระอรหันต์ว่าท่านเป็นผู้ต้องอาบัติประราชิกนี้พระสงฆ์ก็จะสวดให้สติวินโยดาตโบกพึงให้สติวินัยเพราะพระอรหันต์นั้นท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ อยู่พระธิดาให้สองส่วนมาแล้วกับพระทัพมารบุตรเนี่ยพระม า, ะะมาะทัพมารบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นพัทุเทศเป็นผู้แจกพระไปรับที่เขานิมนต์มนต์นนห้าองค์นิมนต์อนนอนสององค์นิมนต์นสี่องค์ท่านกแจกพระไปที่นูน่ท น, น, ท น, น, ท น, นที่นูน่นที่นู่นถึงนูแจกพระไปพระบางพวกไม่ค่อยได้ไปอิจฉาเขาเลยหาเรื่องแกล้งให้นางพิษณีนางหนึ่งไปโจด แกล้งกันน่ยแกล้งพระทัพพมรบุตรเนี่ยพร ะ, ร ะ, ะ เ, พเจ้าก็เลยให้สงสวดประการให้สติวินัยคือผูุ้ทธิจิตมีเข้าถึงถึงขังน้นนี้ถึงระดับนี้เป็นผู้มีจิตไม่กำเริบแล้วเนี่ยมันเป็นอัธานะาที่จะเป็นอย่งงางนั้นได้ให้สวดสติวินิโยดานตับโบมันมีอยู่ในบทสรุปของพระปัติโม พึงให้สติวินยัยสติวินยัยเวลามีคนโจดฟ้องเกี่ยวกับผิดวิ น, ยนัยนีสส่ท่า น, นให้สวดท่านจึงให้สวดสุติวิญญาณตาตโโบพึงสวดประกาศทรรมขราวะองค์นี้เป็นอาถานะที่จะเป็นไปได้ที่จะมีพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเ อ, องโจดฟ้องเรื่องโจดฟ้องมันเป็นเรื่องของความไม่พอใจมันเป็นเรื่องของการอิจฉาเสียกันทั้งทั้งหมดทั้งนั้นเราดูเรื่องเหล่านั้นเราก็ดูมาที่เรื่องของกฎหมา กฎหมายบางคนนี่ถนัดเกี่ยวบเรื่องกฎหมายมาโจทกฟ้องกันหาเรื่องความทุกข์ใส่ร้ายกันกล่าวเท็จบ้างกล่าวถูบ้างกล่าวจริงมีความจริง 1% นอร์กฟ้ า, าไปซะเป็นร้อกล่าวเท็จเลิะเปิดอนไปเลยทําความทุกข์ความทรมานให้แก่กันและกันมันมีอยู่นคนอิจฉาทฤษฎีอาร์ากันน่ยหาแต่เรื่องที่มาตัดรองกันนี่ยมันไม่มีอะไรแร้ว ในสุดความทุกข์เหล่านั้นมันไม่ไปไหนมันจะจะตามหาเจ้าของนี่แหละคนพวกนี้แหละถ้าเผื่อมุ่งหมายที่จะวางยาพิษคนอื่นนซะหนึ่งจะโดนลูกเต้าหลานเลนของตัวเองคนพวกนี้คนประเภทนี้คนประเภทว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนทุกกรโตทุกกรฐานาังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนเรื่องของกรรมกรรมทําไมจึงให้ผล เออดี๋ยวจะเล่าเรื่องกรรมให้คนได้ฟังกรรมก็คือกิริยาที่เราทาพอเราทำลงไปแล้วมันก็มีผลเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมกิริยาที่สะท้อนกลับของกิริยาที่เราทำมีอยู่นี่แหละคือพลังของกรรมพลังบางอย่างให้ผลตอนนั่นเลย จบตอนนั้นเลยพลังบางอย่างให้ผลตอนนั้นด้วยให้ผลสืบสืบไปอีกด้วยอย่างไม่หมดผลของกรรมคือแรงสะท้อนในพฤติกรรมที่เราทํามันสะท้อนกลับคืนทุกอย่างบนโลกใบนี้สะท้อนกลับคืนเหมือนอย่างเสียงเนี่ยเราไปพูดใส่กําแพงลงสะท้อนกลับมาหาเราลองโยนฟุตบอลใส่กาแพงเราดูสะท้อนกลับมาหาเรา สะท้อนกลับสะท้อนกลับสะท้อนกลับพฤติกรรมที่เราทําด้วยกายกรรมด้วยวิจีกรรมด้วยมโนกรรมมันสะท้อนกลับมาถึงเรามามา้ไหมเพราะคำว่ากิริยาของกรรมเนี่ยมันเป็นแรงผลักไปเมื่อไปถูกปับ๊บแรงผลักปลับ ม, มันก็ต้องมีที่เรียกว่าแรงของกรรมแรงของกรรมเห็นแล้วไปเกิดที่นูน่นที่นี่พบ น, นพบนู่นพบนี่ทำไมกรรมมันตามไปเห็นทําไมมันไปทำให้ผลเกิดเป็นผลได้การสะท้อนกลับของกรรม ที่ใดเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกรรมเหตุเกิดตรงนั้นผลก็จะต้องเกิดตรงนั้นใจไม่ตายใจเราใจท่านใจของใครก็ตางไม่ตายใจนี้ไม่ตายใจไม่มีอายุใจไม่ตายร่างกายแตกสลายใจไม่ตายใจดวงนี้แม้แต่ชาติละให้บริสุทธิ์เหมือนใจพระอาหานเหมือนอย่างใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายยังมีอยู่ แต่ก็มีอยู่แบบใจที่บริสุทธิ์ของท่านไม่ใช่เหมือนของใจของพวกเราเพราะใจมันไม่ตายใจไม่เสื่อมสลายไม่สูญสลายหายไปจากโลกใจยังมีอยู่ในโลกชะล้างให้บริสุทธิ์แล้วยังเหลืออยู่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีเสียงโน้ตสีงนี้ไปปรุงไปรวมเนี่ยไม่สูญสลายไม่หายไปจากไหนไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราจะพุทางทำบางัาบางสัาางฆบรมธรรมวัตรส่วนมล ทั้งนักทิเมสารนังาันยังทำพุโทโธเมทำโมเมสังโฆเม่จะเอาอะไรมาพุโทโธเมทำโมสังโฆไม่มีด้วยเหตุที่สิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่มัจึงสะท้อนกลับมาในหัวใจของเราของท่านพระองค์พระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นในในตรัสเป็นในในผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผูนัดด้นเห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นเราผูนัดด้นเห็นธรรมแม้แต่พระจิตของที่บริสุทธิ์ที่พระองค์งทรงแสดงให้พระสาวก เ, เห็นเป็นที่ปรากฏ เวลาวาระสุดท้ายที่โปรองเข้าสู่มหาปรินิพานยังเป็นที่ปรากฏอยู่นะเอาจิตที่บริสุทธิ์น่นะเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามในระหว่างอยู่ในฌานน่มองเห็นออกนอกฌานนไม่เห็นขะารูปไปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามสี่เห็นอยู่ในนั้นไปประทับที่สัญญาเวทีนิโรธเนี่ยคือดับหมดเมื่อคนตายแล้วก็เห็น เห็นว่จิตที่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นพระอนุรุธทาธทาเป็นคนนั่งมองเห็นเพราะท่านมีที่ไปจากสุขนี่พระจิตของพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ลงย้อนกลับคืนมาจนถึงจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ที่เป็นปกติธรรมราและเข้าไปอีกเข้าชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากชั้นที่สี่รูปจะรูปไปชั้นอารูปไปชาน้ปปชานก็ไม่เข้ารูปไปชา้นก็ไม่อยู่มองไม่เห็นทีนี้มองไม่เห็น จิตที่บริสุทธิ์นั้นอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นพระอนุทะก็มองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่าทรงพูดเป็นในไรว่าผู้ได้เห็นธรรมพุทนั้นเห็นเราเห็นเราตถาคตผู้ธได้เห็นเราเพุทนั้นเห็นธรรมพุทธได้เห็นธรรมพุทนั้นเห็นเราเวลาพระองคลอง์ล่วงลับไปแล้วพระองค์จึงให้บอกตรัสสอนกับพระอนอนท์ว่าให้พวกเรายึดพระธรรมมาวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ เพราะตัวแทนศาสดาแท้ๆคือพระธรรมวิ น, นัยใครสามารถอาไปถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามได้สามารถกำจัดเกิเอ็ดให้เกิดสติเกิดปัญญาจนสามารถเกิดปัญญาญาตัดเกลเล็ตัดสรุปตามพระองค์ท่านไปได้นี่คือจิตคือใจเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงจิตที่ไม่ใช่ก่อสังขารคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์จิตของพวกเรานั่นเป็นกองสังขาร เพราะมันไม่ใช่จิตหนึ่งเดียวมันเปนมีนุนมาป ร, ปรงุงในมีนี้มาประกอบอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่กันเดี๋ยพระพุทธเจ้าท่านเล่าหมดแล้วกายเวทนาสัญญาสังขารวิญาณขันทั้งห้าเนี่ยลงละได้หมดแล้วไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์แท้จิตที่บริสุทธิ์แท้อยู่นอกเหนือขันทั้งห้าการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติเพื่อละขันทั้ง5้าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญ ญ, ญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอาการของใจมันไม่ใช่ตัวใจไม่ใช่ตัว่ารู้ไม่ใช่ผู้ตัวผู้รู้ที่แท้จริงเป็นอาการเหมือนอย่างไฟนี่มันมีการอาการสว่างนี่เป็นอาการของไฟตัวไฟที่แท้จริงมันร้อนพัดลมแอง์เงี้ยมันเป็นอาการของไฟมันไม่ใช่ตัวไฟแต่แท้ถ้าเราอยากเจอไฟแท่แท้เราลองเราลองมาจุดเทียนดู เทียนที่มันไฟกําลังติดอยู่เอามือเราไปจี้จี้เปลวเทียนเน่ะเมา่นั่นน่ะตัวนั้นน่ะไฟตัวเปลวเทียนที่เราเห็น อ, อันนั้นก็ไม่ใช่ไฟแต่เป็นกิริยาของมันอ๋อเป็นขอบแด ง, แดงเป็นขอบดําำตัวกลางมันเหลืองเนี่ยเปลวเทียนนะเปลวเทียนเป็นอาการของไฟมันไม่ใช่ไฟนะไม่ใช่ไฟ ตัมันจะแทบมันร้อนทำไมจะรู้จักได้เอามือไปจี้ลองดูไปลองนี่ไปลองดูได้เลย <c oughs> นั่นคือไฟแท้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอาการของผู้รู้เปรียบเส ม, มือนอาการของไฟไม่ใช่ตัวไยแทะพูดแบบนี้ทำให้เราเข้าใจเทียบขึ้นมาเพื่อพวกเราต้องหลายเข้าใจว่าจิตที่รู้ จิตที่เป็นแกนนำที่แท้จริงมีอยู่คือธาตุรู้คือผู้รู้ตอนที่เราจะเรียกตามภาษาบาลีเราเรียกว่าจิตก็ได้เราเรียกว่าใจก็ได้แต่คาว่าใจหมายหมายว่าภาษาไทยนะตัวจอสไนเป็นภาษาไทยเราจะไปว่าใจกลางก็ได้เช่นอย่างใจกลางของเสาใจกลางของถนนใจกลางของตร ง, ون, ตรงนู้นตรงนี้อะไรี่ที่เรียกว่าใจกลาง ใจตัวนั้นหมายถึงตัวนั้นนะแต่มันไม่ใช่ภาษาบาลีนะใจตัวนั้นน่ยคิดเนี่ยภาษาบาลีวิญญาณธาตุนี่คือใจวิญญาณขันเนี่ยคืออาการของใจวิญญาณธาตุเนี่ยตัวผู้รู้คือตัวใจมโนธาตุมนตธาตุมนายตนาธาตุธาตุรู้คือใจเราไปเรื่อยอย่างอื่นมันจะสับสนไปหมด เพรเรียกตามกิริยาอาการภาษาสมมุติที่เรียกขึ้นมาตามลักษณะอาการที่มันมีมันเป็นกันหัวใจของเราเราเห็นความฉลาดของพระบุตรเจ้าท่านมีชื่อเรียกหมดอนักรเรียงนั้นอนักรเรียงนั้นอนักรเรียงนั้นเรียกได้หมดมเป็นอาการของมันในเมื่อหมดอาการไปแล้วสิ่งที่เป็นหลักเป็นประธานยังมีอยู่ใจยังมีอยู่ เป็นใจที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีไม่เป็นสองกับสิ่งใดไม่มีกองสังขารคงสภาพอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอนันตกาลไม่มีพบที่จะไป บ, บัตพบนั้นพบนี้พบนี้พบนั้นเป็นที่อยู่ของใจที่บริสุทธิ์ไม่มีนำลองตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีเวลาจำกัดถ้าหากมีพบมีภูมิมันมีเวลาอายุจากัดฉันจะ ฉันจะทุ่มเงี้ยห้าสิบปีโลกมนุษย์เี่ยเท่ากับวันหนึ่คืนหนึ่งของเขาฉันจะทุ่มบนสวรรค์นั่นฉันเดาดึงกับมีอายุจากัดร้อยปีของมนุษย์เราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอายุมันจํากัดอืมกางวันกลางคืนของเขาแล้วมันยาวของเราเป็นร้อยรอยปีกว่าจะเท่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขา บนสวรรค์ก็ตามสัตว์นรกก็ตามอายุจะมากกว่ามนุษย์ไปสวยกรรมกันนั้นแล้วมันจะหมดไม่รู้ห้าสิบปีในเมืองมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งขึ้น่งของเขานีร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งขึ้นของเขารู้สิเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมพรเทวด า, ารับจึงโลภสบาย ก็อยู่บนสวรรค์อายุยืนยาวแต่ก็ทกํากรรมเพิ่มกรรมได้ยากไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกมนุษย์หากเราพยายเราสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเราจะเพิ่มไปได้อย่างรวดเร็วบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านถ้ า, ถาท่านอยากให้บา ร, รมีท่านเต็มเร็วท่านจะต้องมาบัต่โลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีสิ่งให้สงเคราะห์ความแก่ความเจ็บความตายความพิยโยคความพระภความทุกข์ ต้งหลายทัง้งพวงของสัตว์มันมีอยู่มากมายให้พระโพธิสัตว์ท่านได้สงเคราะห์มีอยู่ไปบนสวรรค์ reass, ไม่รู้จะไปสงเคราะห์ใครแล้วคนนั้นก็มีประสาทอยู่สะดวกสบายสุขสบุขขังอยู่ประสาทฉะนั้นประสาทคนนั้นประสาทคนนั้นอยู่สวโโโโวิบากกรรมอยู่นั้นไม่รู้ใครจะไปแผ่ความสุขให้แก่ใครทั้งคนจะมีความสุขอิม่มเ อ, อบิบอยู่บนนั้นยิ่งสวรรค์บนพรหมโลกเลยแล้วยังมีความสุขไม่มีกาเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์บนโลกพระพรหมมีธรรมเป็นอารมณ์ สำเร็จรูปไปจากการตั้ง่เภาวนาใจสงบใจสงบถ้าเรียนถึงเรื่องหลักของอรูปสมาบัติด้วยแล้วนูน่นไปเกิดอรูปปพบอรูปประพรมเหมือนอยา่างอุทกกระดาบบรลาระดาบบนาาั่นท่านไปเกิดในอรูปประพบนั่นโอ้ยอายุ8ปดหมืสี่พันตับมันยจะได้ลงมาบาัติในโลกมนุษย์มนุษย์ยาวมากพระพุทธเจ้าท่านจึงทรง อุทานโอ้พลาดจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือถ้ า, ถาทั้งสององค์ท่านเป๋ยยังมีชีวิตอยู่พวกเราไปสอนแป๊บเดียวโกรธเลยเพราะเป็นผู้มีใจละเอียดแล้วที่หาช่องออกไม่เจอแลลึกถึงองค์หนึ่งออ้ล่วงไปแล้วเดือนแล้วลึกถึงถึงล่วงไปแล้วอาทิตย์แล้วลึกถึงอีกองค์หนึ่งโอ้ก็ล่วงไปแล้วเมื่อวานนี้โอเสียดายถ้าอยู่เพียงแต่เราไป รีคลายเหมือนก็ไปเคลียขี้ฝุ่นจากตานะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยไปใจละเอียดแล้วท่านหาช่องออกไม่ได้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงหายช่องออกได้พระพุทธเจ้าท่าสร้างบารมีท่านมีสัมมาสัมโพธิญาณมากระตุ้นเตือนมาบอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวคนทุกข์ที่แท้จริงะท่านจึงออกมาเป็นโดยลําพังตัวเจ้าของเราบารมีของพระองค์คุ้มครองปกป้องคุ้มครองไว้หมด นี่ยธรรมะขององค์พเจ้าเขาพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เป็นเวลาทั้งชั่วโมงครึ่ง น, นไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเวลาอีกสี่สิบห้านาทีนะต่อไปนี้เราจะนั่งภาวนาแล้วก็ตอนปปลายเราก็จะพอก่อนนิดหน่อยแค่นี้จากนี้ไปเรานั่งภาวนานะเราลองมาเทียบเคียงดูว่า เรานั่งภาวนาไปด้วยกับฟังธรรมะที่ท่านพูดไปด้วยบางคนหัวใจคิดใจก็เกาะธรรมะขยับเพลื่อขยับเพลื่อขยัเพลื่อได้ความรู้บางคนไม่ตั้งใจจะเกาะแต่ว่าตั้งใจจะภาวนาแข่นกับเสียงเนี่ยเราจะได้ความเต็มตื่นในหัวใจของเราได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทิ้งหลักสองหลักนี้แล้วเนี่ยส่งออกนอกไปไหนก็ไม่รู้แทนที่จะอยู่กับเสียง ที่พูดเป็นอัดเป็นทำไ ม, ไม่ไม่อยู่แล้วส่งไปไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่อยู่กัเสียงไปอยู่คำบริการของตัวเองมีสติมีสัมผชัญญะกำลังจดจ่ออยู่ตลอดระยะที่พูดมาทั้งหมดนี้โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันจะแปลกอัดสืจันท์ให้กับตัวเองได้เลยแหละสําเร็จรูปได้ด้วยการตั้งอกตั้งใจตั้งใจมากตั้งแต่เตรียมที่ได้ผลไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ผล เรื่องราวนี้นขึ้นอยู่กับการทําไม่ใช่คิดเอาเดาเอาแล้วก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชร้องให้เอาได้ได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงได้ด้วยธรรมานุธรรมปฏิปติสมควรแก่เหตุแก่ผลถึงจะได้ไม่สมควรแก่เหตุแก่ผลก็ไม่ได้เมื่อไรจะสมควรแก่เหตุแก่ผลทําให้คหํานึงท่าให้คํานึ่งแต่ทาเหตุให้มากเอาไปเอาตายใส่เข้าไปแล่เข้าไปไม่ต้องไปคํานึง เมื่อเราเห็นทุกเห mm ็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยเมื่อเราหนีไฟเนี่ยหนียังไงมันจะหลุดมันจะรอดมันจะพ้นจากไฟหนะนีศัตรูทําไมมันจะพ้นจากศัตรูหนีไม่ต้องนึกหน้าหว่วงหน้าหวงหลังอะไรเลยหนีเอาตัวรอดไปเลยนี่เหมืนอนอย่างท่านเปรียบว่าถ้าเรามมแต่มาถามอะถูกเขายิงด้วยลูกศร มัวแต่มาถามว่าเอ๊ใครยิงอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลสอนทําด้วยอะไรอาบยาพิเรีอ่ยอไรถูกปั๊บท่านให้รีบถอนใส่ ย, ยาทันทียังไม่ต้องไปถามหาต้องถามหายรู้เรื่องซะ ก, ก่อนแล้วค่อยถอนตายซะ ก, ก่อนเนี่ยเรารู้ว่าเราเกิดมาท่ามกลางกองทุกข์เรารู้แล้วก็หาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั่นแหละคือหน้าที่โดยตรงแท้ ที่พุเจ้าท่านบอกท่านสอนถึงแม้วันนี้ัยวาสนาที่เราสังสมอบรมมากีอาสงไขกลับมาแล้วก็ตามมันสู้เราธรรมะเจริญธรรมะในปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันมันสามารถตัดได้ที่สำคัญที่สุดนะจุลเลร์ี่เราหอบพิโรมาตั้งเป็นกลับกลับมาแล้วเราจะมาภาวนาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนให้มันขาดมันเล็ดรอดออกไปได้มันเป็นไปไม่ได้ มันโซธรรมะในปัจจุบันไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะปัจจุบันจึงสำคัญที่สุดถ้าเราภาวนาสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามเราอยู่ในปัจจุบันจิตของเราอยู่ถ้าเราส่งไปอดีตส่งไปอนาคตเนี่ยนั่นมันไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วมันไม่มีอะไรชัดเจนส่งไปข้างหน้าคือเอาสัญญาไปส่งส่งไปข้างหลังเอาสัญญาไปส่งมันไม่ใช่ของแท้ของจริงของแท้ของจริงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าของเราคือขณะ ปัจจุบันสดร้อนๆเฉพาะหน้าเราสําคัญที่สุดเจเลตตัดได้เฉพาะในขณะเฉพาะหน้าเราปัจจุบันแค่ขณะจิตเดียวมันก็เหมือนกับที่เราหลงทางลืมทางเวลามันหายหลงมันแคแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็รั่วแ้แป๊บเดียวก็โปะรแล้วไอ้ที่เราหลงอยู่ไในวัฏสงสารเช่นเดียวกันพวกเราทําไปแล้วเราเห็นความโง่ของตัวเองเห็นความหลงตัวเอง พอรู้เขาเพียนเราก็ฉลาดขึ้นมาทันทีขณะจิตเดียวแวบเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทําหน้าที่เป็นวันๆเนี่ยแต่มกักต้องอบรมให้มากเวลาผลปรากฏขึ้นแวบเดียวเหมือนฟ้าแลบแวบจะตัว น, นั้นขึ้นมาผลของการทํางานในหัวใจของเรามันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่เอาต่อไปนี้ภาวนา งบนงเงียบไปได้เวลากสัควรอที่จะได้ยินกรกคัง <c oughs> สำคัญที่สติสติดีสมาธิก็ดีสุติดีปัญญาก็ดี สติสัมปชัญญะสา บ, บรีสติเรียกว่าความระลึกได้คือใจมันตื่ น, นรู้ตัวมันแปบ๊บหนึ่งมันก็เกิดจากใจนั่นแหละมันก็เป็นอาการของใจสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวเรารู้ตัวสภาวธรรมแล้วเราพยายามดู เอาจิตของเราดูอ๋อตัวนี้สติอ๋อตัวนี้สัมัญญาคือความรู้ตัวความรู้ตัวนี้มันจะละเอียดนะละเอียดรู้ตัวของตัวเองทุกฐานะทุกสถ า, านะที่เราตั้งอยู่รู้ตัวว่ากำลังทานนทํทำนี้รู้ตัวว่ากำลังทาผิดรู้ตัวว่ากำลังทำถูกรู้ตัวว่ากาลังปรุงรู้ตัวว่ากำลัง ฟุ้งซ่านรู้ตัวว่ากำลังจะรัฐประหารรู้ตัวสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมันก็อยู่ไหนๆมันก็อยู่ในจิตนั่นแหละมันก็เป็นอาการของจิตนั่นแหละแต่มันเป็นอาการอีกอันหนึ่งเพว่าสติแับมันก็ดับแคบขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันเกิดขึ้นเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะ ที่เราพยายามดำรงสติเหมือนกับเราตั้งท่าตรวชณาสติกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเนี่ยพรุทธเจ้าจึงตั้งเป็นอีกสูตรหนึ่งคือมหาสติปัฐานสูตรเป็นฐานะ ของกรรมฐานที่ใหญ่เท่ากับมงกุศของกรรมฐานครอบสัมมาทัศครอบทั้องพิภพชนาหลักมาซิปทานคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมทั้งสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่อย่างนี้ก็คือรูปกำหนามองกายก็คือส่วนกายเวทนาจิตธรรม เวทนาก็คืออาการของใจอาการของกายจิตก็คือผู้รู้มันคือใจก็คือสติคือสัมปชัญญะคือเป็นตัวขมเป็นตัวพลังเป็นตัวผู้รู้ทั้งหมดนั้นเป็นอาการภาษาพุทธรรมเขาเรียกว่าเจตสิกธรรมเจตสิกธรรม เรายิ่งพูดริ่งเรียกยิ่งอะไร อ, อะไรไปรยิ่งเรายิ่งยิ่งสับสนเราใช้คาว่า้ารู้นี่เราจะไม่สับสนสภาวะที่รู้รู้คือใจของเราเนี่ยเราจะไม่สับสนมันเป็นคุณสมบัติของมันเป็นคุณพิเศษของมันใครทำให้มันรู้โอก้กดธรรมชาติมาสร้างมาอย่างนั้นทํามันถึงมีเอากัธรรมชาติมาสร้างมีอย่างนั้น มันให้เป็นอย่างนั้นมันมีภาวะ ร, รู้เราจึงรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วถ้าเราไม่มีธาตุรู้เราก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินก้อนหนึ่งมีความหมายในตัวเองไม่ไม่มีต้นเสาต้นหนึ่งไม่มีความหมายในตัวเอง เราไม่ต้องพูดถึงเพราะเรามันมีธาตุรู้มันมีผู้รู้มันมีวิญญาณครองเราไม่ใช่ต้นเสาเราไม่ใช่ก้อนหินนี่เราลองสมมุติเปรียบเทียบดูถ้าเราไม่มีผู้รู้ก็เหมือนก้อนหินต้นเสามันไม่มีความรู้แต่ผู้รู้นี่มันเป็นหลักธรรมชาติใครตั้งใครสร้างไม่มีใครสร้างไม่มีใครตั้ง ตัวมันเองมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของกองสังขารพระพุทธเจ้ทรงตรัสอาไว้สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไปดูในหลักปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาสวดปฏิจจสมุปบาทพรุ่งนี้จะพาสวดวิปัสนาภูมิจะพาสวดปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อิงอาศัย และการเกิดขึ้นพูดไว้เป็นสูตรเลยแหละอวิชชาเป็นปัจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณเรียกเรามาตามลำดับสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณจิตของเราก็คือวิญญาณนี่แหละตกอยู่ภายใต้อำนาจของกองสังขารพัฒนาตัวเองมาอย่างไรเราก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏ แล้วก็ไม่มีไม่มีที่ชิ้นสุดดํารงตนอยู่อย่างนี้แหละไม่มีศูญหายไปไหนตลอดอนันตการมันเป็นธาตุที่รู้อยี๋ยวไปสวมรอยแล้วก็ตั้งเป็นนู้นเป็นนี้นู้นสร้างอันนี้สร้า ง, อ, นนางอันนั้นทำอันนี้ทําก็สวมรอยก็รู้ ร, ร, รอยู่ว่าจะขอในีสวมรอยตั้งเอาข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่ คทั้งคาคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบความันจะสาเร็จรูปเวลามันสาเร็จรูปไปแล้วนี่จะให้มันกลับคืนเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้เรามาดูเพชรพลอยอย่เงี้ยเวลามันเกิดขึ้นมามันก็กอดตัวของมันอยู่นะที่เป็นรูปธรรมอันนี้มันเป็นนามธรรมมันเป็นธาตุรู้อันนั้นมันเป็นธาตุไม่รู้ร่างกายของเราเป็นธาตุมรู้ เพชรพลอยมันเป็นธาตุไม่รู้ที่มันพัฒนามาอย่างมันพัฒนามาตามรูปแบบของมันเห็นไหมมันมีมันมีอยู่ในหินมันเกิดอยู่ในหินพลอยน้ำหนึ่งน้ำสองเนี้ยเพชรน้ำหนึ่งน้ำสองเงี้ยหินเนี่ยเห็นจุ้ยเจียนเห็นจุ้ยเจียนน้ำหนึ่งน้ำสองเนี่ยมันก็คือมันพัฒนาตัวมันเองมันไม่เคยอยู่เท่าเดิมมันพัฒนาตัวของมัน ยกเนี้ยยกอ่อนเนี่ยมียกอ่อนมียกแก่ยกแก่มันก็พัฒนามาจากยกยกอ่อนเจ้าก้อนมันก็มาจากไหนมันก็มาจากหินนั่นแหละมันก็พัฒนามาอย่างนั้นหยกจะเป็นหินแตกต่างออกไปมันพัฒนาตัวของมันนี้เพรตัวมันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะตัวของมันมันเป็นก้อนสังขารมีหลายสิ่งหลายอย่างปรุงกันประกอบกันอยู่ในนั้น ถ้าจว่ากองสังขารเรามาเทียบ ม, มาที่กายของเราดินน้าลมไฟเป็นกองสังขารไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวใจของเราก่อนที่จะสาเร็จมาเป็นธาตุรู้รูปของธาตุรู้ลักษณะของธาตุรู้มันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกองสังขารแต่ด้วยเหตุที่มัน ภยวดับในที่ดีที่ไม่ดีที่สูงที่ต่ําพี่หยาบที่ละเอียดก็เพราะพฤติกรรมของมันเองมันหลงมันหลงพฤติกรรมของมันเองมันรู้ถ้าเราจะเทียบก็เมื่อเรารู้เราหลงความรู้ของเราเราตื่นความรู้ของเราหลงยึดนั้นหลงยึดนี้ยึดนั้นยึดนี้ยึดนี้ยึดนั้นเห็นความอัศจรรย์ในความรู้ของตัวเองมันได้ศึกษาไม่ได้ย้อนมาดูตัวเองบาง ครั้งเขาเขาเรียกว่าจิตเดิมจิตเดิมแต่อีตัวจิตเดิมมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันไม่มีมันมีแต่จิตที่อยู่บนพื้นฐานของก่อสังขารแตจะก่อสังขารหมดไปแล้วกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ตายมีอยู่ไม่หมดไปเวลาพุทธเจ้าท่านตรัสถึงพระนิพพานท่านบอกว่าไม่สูงไม่ต่ำไม่ยาวไม่สั้น ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นที่มาไม่เป็นที่ไปพูดในแง่ปฏิเสธทั้งหมดเพราะพูดให้ถูกให้ตรงมันพูดไม่ถูกและดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลจะมะสะสามตัวเองเสร็จสิ้นลงไปแล้วหมดสิ่งปรุงสิ่งประกอบสำหรับตนอยู่อย่างนั้นตลอด อนันตการเข้าถึงความพ้นพ้นจากภาวะที่พายึดพาติดเกี่ยวข้องผูกพันไม่ต้องไปติดไปเกี่ยวไปข้องอยู่ในภูมิทั้งสาสิเบเอ็ดภูมิเนี่ยเหมือนอย่างจิตของพวกเราพเราไปไม่พ้นภูมิสามสิเบเอ็ดภูมิเพราะอันนี้แหละสังขารนี่แหละมันปรุงแต่งพาเราไปนึกคิดปรุงนู้นเนี่ยอะไรตัวสังขารกายสังขารจิตสังขารจิตก็คือมันพา น, นึกพาคิดพาปรุง ปุงดีพรุงชั่วพรุงกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารปรุงบุญปรุง บ, บาปจิตที่หมดสิ่งพรุงสิ่งประกอบหมดทั้งบุญหมดทั้งบาปไม่เกี่ยวข้องทั้งดีไม่เกี่ยวขอ้งวของทั้งชั่วเป็นสิ่งหนึ่งเดียวไม่มีกิริยาอาการใดๆไม่ตั้งตนเป็นเหตุ นำไปสู่ผลไม่มีผลที่จะเป็นเหตุไม่มีเหตุที่จะเป็นผลแต่ขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั้ตั้งตนเองเป็นเหตุนําไปสู่ผลหามันตั้งโดยข้ามันเองมันเป็นเหตุแล้วเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเราไล่ดูวนวิชาเป็นปัจจัยเกิดของสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมันลดเราด้วยดูพุทธิจักรท่านทรวางไว้เป็นศูตรเลยแหะ นามผู้เป็นปัจัยเกิดสลายยานะคืออายทนะหกสลายยานะเป็นปัจัยเกิดผัสสะเพราะอายทนะมันสัมผัสกันเป็นผัสสะเป็นวิญญาณเป็นผัสสะแล้วเป็นเวทนามันเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นระลอกเหมือนระลอกคลื่น ก็อาจจะเกิดเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาสัมเรียบรูปเป็นสุขเวทนาสัมเรีบรูปเป็นทุกขเวทนาแต่มันเร็วแต่ท่านจะลําดับขั้นตอนให้เราได้ยินใน้ฟังอย่างเี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันปฏิจจะปฏิจฏจะแปลว่าอิงอาศัยกันปฏิจจะสมุปบาทอิงอาศัยกันเกิดขึ้นท่านพูดถึงเหตุเกิดขึ้นของตัณหาท่านพูดถึงสมุทัยวาระ อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเวียนเป็นป <alors> ัจจ <templ i. S 1> ัยเกิดนามรูปท่านพูดถึงนิโรธวาระคือความดับดับอวิชชาดับอวิชชาอวิชชาโยตยวะดับไม่เหลืออเสียสาวิระการนิโรโทสันิโรธาสร้างคาริโรโทสังคาริโรธาหมดอวิชชาแล้วก็หมดสังขารแล้วก็หมดวิญญาณแล้วก็หมดนามรูป หมดสลายยตนะคำว่าหมดหมดในทนี่นี้หมายความว่ามันหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดตัณหาในใจหมดความอยากไปในใจอย่างนั้นพระอรหันต์ท่านยังมีอยู่เวลาท่านบรรลุธรรมแล้วท่านยังมีสังขารปรุงแต่งอยู่ท่านยังไม่ดับ แต่ใ จ, ใจมันละได้หมดแล้วแต่ความเป็นก้อนเป็นแท่งที่อาศัยสังขารที่เป็นส่วนผลผลิต ผ, ผลของกิเลนนั่นแหละเหมือนอย่างพุทธิยาท่านใช้พระวรากายของพระองค์ประกาศพระศาสนาเป็นเวลาทุก4ี่หพระพันศาคืออาศัยผลิตผลที่กิเลมันสร้างขึ้นมาคือสังขารนี่นแหละเป็นพ่อพ่อว ร, รากายดูเห็นเป็นหนึ่งเป็นพระวรากายของพระองค์ ประกาศศาสนาแต่ผู้รู้นั้นก็ไม่ติดข้องไม่ผูกพันอาศัยอิงอาศัยกันอยู่เฉยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีไม่มีตัวตนที่จะยึดที่จะถือไม่มีที่หมายไม่มีผู้หมายไม่มีผู้ที่จะไปเกิดตามที่จะของหมายคือดับความเกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่แล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายไม่มีโยกพลาดพาด ไม่ต้องไปพูดถึงโศกพริเทวทุกขโทมนทสาสุพยยาสะกองทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีขึ้นได้โดยลำดับรดยเจ้าท่านสองผู้เราไเป็นเหตุเป็นปัจจัย ด, ดับตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาใหม่ตัณหาก่าวมาส่งมาแล้วตัณหาใหม่มันเกิดขึ้นอีกมันก็ซสืบมหนอดต่อคะแนนของมันนั่นแหละ ท่นจะบอกเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานยึดมันถือมันแต่เวลามันเป็นนะมันชึกเดียวมันถึงกันหมดอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดพบโดยเหตุที่มีการยึดอะมันจึงมีที่ยึดโดยเหตุที่มีผู้ยึดมันถึงมีที่ยึ ด, ด, ย ผ, ย ด, ยดผู้ใดยึดผู้นั้นจะจะต้องปฏิบัติตรงที่ยึดนั่นแหละเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เราคิดถึงที่นอนนั่นแหะคือพบเราแล้วะ พอลงจากนี้ไปแเ้าก็ไปปรากฏตรงนั้นนี่ชาติคือไปเกิดแล้วจากนั้นนอนหลับคราอหคราอห์ฝันดีฝันรา้ายจากนั้นก็ <c oughs> เปรียบเทียบ <c oughs> อ่าเลยเวลาไปแล้วอวันนี้ชิตังเมชิตังเมชนะแล้ววันนี้ชิตังเมชิดังเมชนะแล้วอืพอสมควรเกิเวลาเพีล้เท่านี้ 4ทุ่มห้านาทีอ่าพรงนี้มีอะไรยังไงเดี๋ยวพวกเราได้ฟังจากธรรมบริกรอ่าเราก็กลับเดี๋ยวนี้กลับตอนนี้ทถานี้ ไเน่ทั้งคืนก็เอานะใครจะไปยาวก็เอาเต็มอิ่มแล้วก็ลุกขึ้นมาภาวนาต่อ